อันนี้ที่สวนมีกันกี่คนสี่คนนะอยู่กันหลายวันรู้ปะหรื อ, รอว่าห้3วันสามวันสามวันปวดนานไหม 3> ว, 3วั น, าานดสามวันเลยก่อนหัวเลยแหละให้มันถึง ว่าเขาอยากบวชกราบแทนทระคุณพ่อแมอ่เสียดายไม่ดไม่เสียดายผมบวชแค่สามวันไม่เสียดายนาจะบวชไปรักสามเดือนอยิ่งบวชนานยิ่งไ ด, ได้ได้ประโยชน์มากเหมือนซักผ้าแช่ผ้าแป๊บเดียวเอาขึ้นมา ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ซักฟอกถ้าแช่ไว้นานๆผงซักฟอกมันก็จะช่วยกำจัดคราบสกปรกของเสื้อผ้าออกไปใจของพวกเราต้องมีการซักฟอกเหมือนกับเสื้อผ้าเพราะใจของเรามีคราบสกปรกที่เรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมอง ใจเราเศร้าหมองไม่ได้เศร้าเพราะอะไรหรอกเศร้าเพราะกิเลสไม่ใช่เพราะคนนั้นตายคนนี้ตายหรือเราเสียอะไรไปนี่มันไม่ได้เป็นต้นเหตุของความเศร้าหมองมันเป็นตัวจุดประจุดความเศร้าหมองมันไม่ขีดที่ไปจุดไฟอีกทีหนึ่งดาตัวไฟเนี่ยเป็นตัวที่ทาให้ไฟลุก เช่นน้ำมันนี้น้ำมันถ้าเราเอาไม่ขีดไปจุดเนี่ยไฟก็จะลุกขึ้นมาเหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นเหมือนไม้ขีดแต่ถ้าไม่มีไฟไม่ขีดจุดไปยังไงก็ไม่มีไฟจะลุกถ้าเรากําจัดไฟเชื้อเพลิงในใจตัวที่ทําให้ใจเราลุกขึ้นเป็นไฟ ต่อให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่ทำให้ใจเราลุกเป็นไฟได้ตัวที่ทำให้ใจเราลุกเป็นไฟก็คือกิเลสเนี่ยความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความกลัวสี่ตัวนี้ตัวที่เป็นไฟเป็นเชื้อไฟเป็นเหมือนน้ามันส่วนเหตุการณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปพบเนี่ย พอเห็นรูปขึ้นมาก็ลุกเป็นไฟเห็นคนที่ชอบก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาเห็นคนที่เกลียดก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาเห็นคนที่กลัวก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาแต่ถ้าเรากําจัดความรักชังกลัวหลงได้ด้วยการซับฟ อ, อกจิตนการซักฟ อ, อกจิตก็คือการภาวนาการทันใจให้สงบเวลาใจสงบนี่ความโลภ ความรักความชางังความกลัวความหลงจะหยุดไปตอนนั้นใจใจจะเย็นสบายไม่มีความรู้สึกร้อนเลยเวลานั่งสมาธิเวลาใจสงบนี่ใจมีความสุขมากเพราะตอนนั้นธรรมะคือสติได้ซักฟอกความรักชังกลัวหลง ให้ออกไปจากใจเพียงแต่ว่ามันซักได้ชั่วคราวเหมือนกับเสื้อผ้าเราซักเสร็จพอเราเอาออกมาใช้ใหม่เดี๋ยวมันก็เปื้อนใหม่ใจเราเวลาเข้าไปในสมาธิก็เหมือนเอาเข้าไปในเครื่องซักฟอกเครื่องซักผ้าพอซักเสร็จเอามาเอามาสวมใส่เดี๋ยวก็เปื้อนอีก ใจพอออกจากสมาธิมาพอมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสกับลาบยศสารเสญก็เกิดความรักความชังความโกลหลงขึ้นมาใหม่เกิดความโลภเกิดเกิดความรุ่มร้อนจิตใจลุกเป็นไฟขึ้นมาใหม่วิธีที่จะทำให้มันไม่ลุกหลังจากที่ออกจากสมาธิมาก็คือต้องใช้ปัญญา ตอนนั่งสมาธิเราใช้สติไม่ใช้ปัญญาเราต้องการให้จิตสงบให้ให้จิตนิ่งปราศจากความรักชังกลัวหลงเพื่อเราจะได้รู้ว่าเวลาจิตไม่มีความรักชังกลัวหลงนี้มันดีอย่างไรถ้าเรายังไม่ได้เจอความสงบที่ไม่มีความรักชังกลัวหลงเรายังชอบรักยังชอบชังอยู่ เวลาเห็นอะไรที่เราชอบเนี่ยเราก็จะรักขึ้นมาเพราะเราเรารู้สึกมีความสุขเวลาเราได้รักอะไรหรือเวลาเราเจออะไรไม่ชอบเราก็ชังขึ้นมาเวลาชังก็รู้สึกมีความสุขได้เกลียดได้ชังคนนั้นคนนี้คนนั้นมันไม่ดีเลยต้องเกลียดต้องชังมันถึยังมีความสุขแต่มันมีความสุขที่ร้อนที่ใจทำให้ใจเราร้อน ความรักที่ทำให้ใจเราร้อนเพราะว่าเวลาที่เรารักแล้วมันเกิดสิ่งที่เรารักเราไม่ได้สิ่งที่เรารักเราก็จะเสียใจเราก็จะเกิดความเศร้าขึ้นมา <c oughs> เวลาเราเจะสิ่งที่เราช่างแล้วเราไม่ส า, สามารถกำจัดมันได้เราก็ทุกข์ขึ้นมาไม่สบายใจหมดเกลียดลำคาญใจ เราจึงต้องฝึกทำสมาธิก่อนฝึกทำจิตให้สงบให้ว่างจากความลักชังกลัวหลงพอเวลาจิตสงบเนี่ยนั่งสมาธิไปพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจเขาออกไปเดี๋ยวจิตก็นิ่งแล้วก็ความลักชังกลัวหลงก็จะหายไปเราจะรู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจ เย็น อ, อกเย็นใจชุ่มฉ่ำใจชุ่มฉ่ำใจมีความสุขยิ่งกว่าความสุขต่างๆที่เราเคยได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันจะสู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้เกิดจากความปราศจากความรักชังกลัวหลงไม่ได้ พอเราเห็นว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงพอเราออกจากสมาธิมาเราก็ใช้สติพยายามรักษาไว้เวลาจะรักก็ดึงมันกลับเข้ามาเวลาจะรักใครก็พุโทโธพุโทโธไว้เวลาจะเกลียดใครก็พุโทโธพุโทโธไว้เราก็จะสามารถหยุดความรักความชังได้ชั่วคราวแต่ถ้าเราขี้เกียจเมื่อไหร่ไม่พุโทโธเมื่อไหร่ ปล่อยให้มันเดี๋ยวพอมันรักอะไรมันก็จะรักขึ้นมาอีกได้เพราะสตินี้ไม่สามารถที่จะทำลายความรักชังกลัวหลงได้ตัวที่จะทำลายรักชังกลัวหลงได้นี้คือต้องเป็นปัญญาพอเราออกไปรักอะไรนี่เราต้องดูที่ใจเราแล้ ว, ล ว, ลวลอตอนที่เราไม่รักกับตอนที่เรารักนี่ต่างกันไหม ตอนที่เราไม่รักนิจใจเราเฉยเยน็นสบายพอถ้ารักอะไรขึ้นมานิใจจะร้อนขึ้นมาทันทีเพอาใจจะเกิดความอยากรักอะไรก็อยากจะได้สิ่งที่รักอยากให้สิ่งที่รักอยากให้คนที่รักเราอยู่กับเราก็เกิดความอยากใจก็ร้อนขึ้นมาเราก็ต้องไปทาอะไรต่างๆเพื่อจะให้ได้สิ่งที่เรารัก ถ้าได้มาก็ได้ก็มาร้อนกับความหวงอีกพอได้สิ่งที่เรารักมาดีใจเดียวเดียวแล้วก็เกิดความกังวลขึ้นมาอีกกังวลเพราะเรารักเราหวงพอเรารักอะไรเราก็หวงแล้วเราก็ห่วงกลัวว่าเขาจะจากเราไปอีกก็ทำให้ใจร้อนขึ้นมาอีกนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็น ถึงความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดเวลาที่เรามีความรักความชังความกลัวความหลงมันจะทำให้ใจเราต้องดิน้นอยู่เฉยๆไม่ได้รักอะไรก็ต้องดิน้นหาสิ่งที่เราอยากได้ที่เรารักชังอะไรก็ต้องดิน้นเพื่อที่จะกำจัดสิ่งที่เราชังกลัวอะไรก็ต้องดิ้นหนีหลงอะไรก็ ก็ต้องดิ้นเข้าหาสิ่งที่เราหลงอ น, นี้ถ้าเรามีสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธินี่เวลาเกิดความรักชังกลัวหลงนี่มันจะเห็นใจดิ้นขึ้นมาทันทีใจจะไม่สุขความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิมันจะหายไปถ้าเป็นน้าเวลานั่งสมาธิก็เป็นเหมือนน้ำที่นิ่ง แล้วพอออกจากสมาธิมาพอใจไปกับไปอยากได้อะไรก็เหมือนคนโยนหินก้อนหินลงไปในน้าน้ามันก็จะกลับเพิ่มขึ้นะหรือปลาที่อยู่ในน้ำมันผุดขึ้นมามันกระโจนขึ้นมามันก็จะทำให้น้ำที่นิ่งนี้มันกลับเพิ่มเป็นลูกคลื่นขึ้นมาใจเราก็เหมือนกันเวลาเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาในี่ใจจะกลับเพิ่ม เหมือนมีใครโยนก้อนหินลงไปในน้ำหรือเหมือนมีตัวปลามันมันผุดมันกระโจนขึ้นมาจากน้ำทำให้ใจทำให้น้ำไม่นิ่งใจเราก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธินี้เราทำให้มันนิ่งเหมือนน้ำนิ่งพอน้ำนิ่งแล้วใจก็ใสยเย็นสบายเหมือนน้ำที่ใสมีความสุขพอออกจากสมาธิมา พอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นนสดไปสัมผัสกับลาบยศสารเสริญใจก็จะกับเพิ่มขึ้นมาถ้ายังมีความนักชังกลัวหลงอยู่เห็นเงินทองก็ก็กับเพิ่มอยากได้ขึ้นมาเห็นยศเห็นตําแหน่งก็อยากได้เห็นรางวีรางวัลอะไรต่างๆก็อยากได้เห็นไหมคนที่ซื้อหวยนี่ไม่อยากได้อะไรอยากได้รางวันถูกรางวัลที่หนึ่ง หรือคนทำความดีก็อยากจะได้รางวัลรางวัลก็มีหลายแบบรางวัลลูกโลกทองคำก็พวกดาราสแสดงสแสดงแล้วอยากจะได้รับการยกย่องสรรเสริญอยากได้รับรางวัลเทิดทูนเกียรติเทิดทูนความสามารถของตนพออยากได้แล้วใจก็กระวนกระวายเวลาไปนั่งรอรับรางวัลนี่ กรอดูว่าเขาจะอ่านชื่อเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่อ่านชื่อเราก็เสียใจน้อยใจบางทีก็โกรธโกรธที่คนไม่ให้รางวัลถ้าได้ก็ดีอกดีใจไปไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็หายมันก็หายไปแล้วแล้วเดี๋ยวก็อยากได้รางวัลอันใหม่รอไปรอปีหน้าไปรอรับรางวัลอันใหม่อีก เนี่ยคือใจก็ต้องดิ้นอยู่เลยๆใจก็ต้องกังวลกังวายเวลาที่รอรับรางวัลก็ไม่สบายใจกังวลว่าจะได้หรือเปล่าปีนี้ได้แล้วปีหน้าจะได้หรือเปล่าอันนี้คือผลที่จะตามมาจากการเกิดความรักความชังความกลัวความหลงเนี่ยจะทาให้ใจวุ่นวาย ใจสันจ่นใจกังวลกังวายก้าศักก์สายอยู่ไม่เป็นสุขถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ออกมาจากสมาธิถ้าเห็นว่าใจเริ่มสั่นก็กลับไปสมาธิดีกว่าหยุดคิดหยุดพูดหยุดคิดหยุดคิดหยุดอยากทําใจให้สงบพอใจหยุดคิดใจก็สงบนิ่งเหมือนน้านิ่ง ดูครั้งถ้าใจก็เพิ่มถ้ายัางใช้ปัญญาไม่ได้ก็ให้ใช้สติไปก่อนฝึกสติไปให้ชำนาญเวลาต้องการทำใจให้สงบให้นิ่งเมื่อไหร่ก็ทำได้พอใจเริ่มไม่สบายละเริ่มกระวนกระวายกระสับกระสายหม ด, หดจิตําคาญใจก็ไปนั่งหลับตาพุทโธพุทโธหรือไม่ต้องหลับตาก็ได้เดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมก็พุทโธพุทโธไป อย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราหมดุดหีิดนำขานใจใจก็จะกลับมานิ่งได้ไม่กระเพื่อมไม่วุ่นวายใจแต่ถ้าอยากจะกาจัดแบบท้าวรแบบที่ว่าไม่ต้องมาพุทโธไม่ต้องมาเดินจงกรมก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้เนี่ย มันเป็นของชั่วคราวมันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้จากการได้เงินทองมาความสุขที่ได้จากตำแหน่งได้ยศถาบรรดาศักดิ์ความสุขที่ได้จากการสรรเสริญเยินยอความสุขที่ได้จากการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันเป็นความสุขเดียวเดียวเหมือนควันไฟ ได้มาแล้วมันก็หายไปได้เงินมาก็ดีใจปั๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็พอใช้เงินหมดก็ก็ทุกใจขึ้นมาใหม่ได้ตำแหน่งมาพอถูกพอถูกปลดออกจากตำแหน่งก็เสียใจแล้วไม่มีใครไปสั่งไปบังคับให้มันเป็นอยู่กับเราไปได้ตลอดได้เงินมาแล้วบอกเงินนี้ต้องอยู่กับเราให้เรามีใช้ไปทุก จนวันตายมันสั่งไม่ได้วันดีก็ดีมันไม่มาก็ได้วันดีก็ดีเงินที่มีใช้ไปหมดก็ได้พอหมดก็เดือดร้อนนะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ต้องใช้เงินได้ก็สบายเงินจะหมดหรือไม่หมดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรการที่จะไม่ใช้เงินได้ก็คือต้องมีใจที่สงบเนี่แนะ ใจที่สงบใจจะมีความสุขพอเวลาอยากจะได้เงินก็กลับไปนั่งสมาธิดีกว่านั่งสมาธิแล้วก็ไม่ต้องมีเงินก็มีความสุขได้คนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขในตัวก็เลยต้องอาศัยความสุขจากเงินทองต้องไปคอยหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินทองไปใช้ซื้ออะไรต่างๆที่อยากได้ พอได้ซื้อของที่อยากได้ก็มีความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ของใหม่ก็กต้องซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีเงินที่จะให้ซื้อก็จะเดือดร้อนขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินซื้อของตามความอยากได้เราจะใช้แต่เฉพาะของที่จําเป็นมันก็ต้องไ ม, ไม่ต้องใช้มาก โอกาสที่เงินจะหมดนี้ก็จะยากหรือถ้าไม่มีเงินเราก็ไม่เป็นไรถ้าต้องการข้าวเราก็ไปปลูกข้าวเอาเองก็ได้ถ้าไม่มีเงินซื้อข้าวก็ไปปลูกข้าวปลูกผักก็สามารถที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไม่ต้องมีเงินก็ได้หรือไปเป็นขอทานก็ได้พวกพระที่มาบวชก็เป็นขอทานกันแต่เวลาก็ถือบาทเข้าไปในหมู่บ้าน ขอทานบิณฑบาตได้มากินมื้อหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องใช้เงินก็ได้เวลาอยากจะมีความสุขก็ไปนั่งสมาธิแทนแทนที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบก็ไม่ต้องใช้เงินยิงถ้ามีปัญญาเห็นว่าการใช้เงินนี้ จะต้องนำไปสู่ความวุ่นวายใจไม่มากก็น้อยเพราะมันจะต้องกังวลเรื่องเงินทองกันทุกคนมีใครไม่กังวลเรื่องเงินทองบ้างจะมีพอใช้ัหมจะมีเหลือใช้ัหมจะหมดไปเมื่อไหร่กังวลอยู่ทุกวันนี้ไม้มก็กังวลอยู่กับเรื่องเงินทองเศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงก็วุ่นวายกันดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงก็วุ่นวายใจกัน เพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเราเห็นว่าเงินทองเป็นสุขเราเลยไปพึ่งเงินทองเพื่อให้ความสุขกับเราแล้วเลยต้องมาทุกข์กับเรื่องของเงินทองเพราะเราไม่มีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเงินทองนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนมันมันดิ้นได้มันมีได้เดี๋ยวมันก็หมดได้มันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้ มีเจริญมีเสือ่อมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเงินทองนอกจากเงินทองก็ตำแหน่งอะไรต่างๆยศอะไรต่างๆในร้อยในพันในพลผู้กํากับผู้กองผู้อะไรทั้งหลายมันก็เป็นของชั่วคราวไม่แน่นอนมันดีกนดีก็ถูกโยกย้ายบางทีก็ถูกลดตาแหน่งปลดตำแหน่งปลดออกมา เวลาทํางานครบอายุหกสิบเขาก็ปวดกเกษียณยศตําแหน่งอะไรที่มีอยู่ก็หายไปหมดพอหายไปก็ต้องนั่งอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนั่งเศร้าซ้อยงไวเหวี่ยงไม่เหมือนตอนมีตําแหน่งมีลูกน้องมีบริษัท บ, บริวารมาคอยรับใช้คอยให้ความสุขเนี่ยลาบยศสรรเสริญสรรเสริญกาลังวีรางวังวนต่างๆ เวลาทำความดีเขาก็มอบรางวัลให้ถ้าเป็นภาพดาราภาพประโยชน์เขาก็ให้รางวัลตุกตาทองสุพรรณหงส์อะไรลูกโลกทองคานักร้องเสียงดีเขาก็ให้รางวัลอะไรไปได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจได้แล้วก็อยากจะได้อีกอยากจะได้ทุกปีพอไม่ได้ก็เสียใจ นี่คือความสุขที่พวกเราหากันเพราะเราไม่รู้จักหาความสุขที่พระพุทธเจ้าหากันพระพุทธเจ้าหาความสุขแบบที่ไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขยังทำใจให้สงบใช้สติควบคุมความคิดให้หยุดความคิดให้ได้พอใจสงบแล้วก็มีความสุขและเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่เรา ที่ที่แน่นอนพอเราทำได้แล้วเราก็สามารถทำได้ทุกเวลาที่เราต้องการไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องไปหายศไปหาตาแหน่งไม่ต้องไปหาสรรเสริญลังวี่รางวัลไม่ต้องไปหาลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสษอันนี้เราต้องใช้ปัญญา าใจเราอยากจะไปหาความสุขนอกจากความสงบแล้วก็ต้องสอนนะว่ามันเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันจากกันอยู่คนเดียวเหาอยากจะไม่มีแฟนถ้านั่งสมาธิได้มีความก็จะมีความสุขจากการนั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปมีแฟนะ แต่ถ้าไม่มีความสงบจากสมาธิพอเกิดความอยากมีแฟนแล้วมันจะรู้สึกเหงา ว, าว้าวเองมันก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปมีแฟนถ้าไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญามันก็จะเห็นว่ามีแฟนเดี๋ยวเกิดแฟนจากเราไปมันก็เหมือนเดิมอีกก็ต้องเหงาอีกเหมือนเดิมมีแฟนแล้วเกิดทะเลาะ ก, กันก็เสียใจมีแฟนแล้วเกิดเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเขาไปแอบมีแฟนใหม่อีกก็ทําให้เราเสียใจอีกี เมื่อเราไม่คิดถึงสิ่งที่ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ต้องเกิดขึ้นคือจะต้องมีการพัดพากจากกันไม่ว่าในรูปใดในแบบใดแบบหนึ่งจากกันเพราะรักกันก็เสียใจจากกันเกลียดกันก็ดีใจแต่เวลายังไม่จากกันต้องอยู่ด้วยกันก็ทุกข์ใจเวลาเกลียดกันอยู่ด้วยกัน มองต้องมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากจะได้นี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นสุขใหม่ๆสุขตอนต้นเหมือนน้ำตาลเคลือบยาขมเวลาอ ม, ม, มยาใหม่ๆนี่หวานเขาเคลือบน้ำตาลไหมพอน้ำตาลผิวบางๆละลายไปที่นี้ก็จะลดขมของยาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราก็เป็นเหมือนน้ำตาลเคลือบยาขม เวลาได้อะไรมาใหม่ๆดีใจกันมีความสุขกันเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งสิ่งที่เราได้มามันก็เสื่อมมันก็เสียหรือมันก็จากเราไปก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการมองด้วยปัญญามองว่ามันไม่เที่ยงความสุขที่เราหากันเช่นราบยศจลเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราไปเสพกัน เวลาเราไปดูมหรัรสพไปดูบันเทิงอะไรต่างๆไปร้องรำทำเพลงเนี่ยมันเป็นความสุขทางตาหูจมูกนิ้นไก่พอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดไปเที่ยวก็สนุกสนานเฮฮาล่าเริงพอกลับมาบ้านไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงก็ซึมเศ้าเหมือนเดิมอยากจะออกไปอยากจะไม่หาความสุขอีก แล้วมันจะต้องมีวันที่ออกไปไม่ได้เงินหมดก็ไปไม่ได้ไม่สบายก็ไปไม่ได้ต่อไปร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอีกมันไม่เที่ยงทั้งนั้นทั้งสิ่งที่เราอยากจะเสดทั้งเครื่องมือคือร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงบางวันอยากจะไปก็ไปไม่ได้ไม่สบายหรือต่อไปอาจจะพิกลพิการ ไม่สามารถที่จะขยับไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกนี่นี่คือปัญญาตนั้นให้เราพิจารณาให้เห็นว่าความสุขทางโลกความสุขทางร่างกายนี้มันเป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปดันัึนบอกว่าให้ดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยง พอมันหายไปความสุขหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาอนันตาคือเราไปควบคุมบังคับ ม, มันไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเที่ยงไม่ได้สั่งให้ของที่เราซื้อมานี้ไม่เสียไม่ได้สั่งให้แฟนของเราดีกับเราไปตลอดไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้จะต้องมีวันที่เขาจะไม่อยู่กับเราจะต้องมีวันที่เขาไม่ดีกับเรา นี่คือปัญญามองให้เห็นว่าไม่เที่ยงแล้วเราไปควบคุมบังคับไม่ได้อนัตตาเมื่อไม่เที่ยงควบคุมบังคับไม่ได้มันก็ทุกข์เท่านั้นสิเวลาอยากให้เขาเที่ยงมันเขาไม่เที่ยงก็ทุกข์อยากจะให้เขาดีเขาไม่ดีเราก็ทุกข์พรเราควบคุมบังคับเขาสั่งเขาไม่ได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นราบก็คือเงินทองยศก็คือ ต, ตําแหน่งต่างๆในพลในพันนายกประธานาธิบดีไม่เทียมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยเห็นไหมเมืองไทยเปลี่ยนนายกมากี่คนแล้วะเมืองนอกเขาเปลี่ยนประธานาธิบดีกันมากี่คนแล้วเขาก็เปลี่ยนกันไปอยู่เรื่อยดังวันก็มีมอบ ก, กันไปเปลี่ยนคนนั้นคนนี้คนนั้นได้บางคนนี้ได้บาง คนได้ก็ดีใจเดียวเดียวแล้วเดียวก็เสียใจพอเท้าต่อไปไม่ได้ก็เสียใจอกีกคนไม่ได้ก็เสียใจนี่คือความสุขที่พวกเราหากันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันต้องเสื่อมมันต้องดับไปอันนี้จะแม้ว่า ไม่ถาวอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาอนัตตาห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ร่างกายนี้เราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาแก่ห้ามไม่ให้เขาเจ็บห้ามไม่ให้เขาตายไม่ได้พอเวลาแก่ก็ทุกข์เพราะยังไม่อยากแก่เวลาเจ็บก็ยังก็ทุกข์เพราะยังไม่อยากเจ็บเวลาตายก็ทุกข์เพราะยังไม่อยากตาย แต่ถ้ามีปัญญาเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็พร้อมที่จะแกะ่ที่จะเจ็บที่จะตายก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากเกิดจากความรักร่างกายเนี่ที่เมื่อกี้บอกว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นเหมือนไม้ขีดมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้ไฟในใจเราลุกขึ้นมา ตัวที่จะทำให้ใจในไฟเราลุกขึ้นมาก็คือความรักความชังความกลัวความหลงที่ทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมารักอะไรก็อยากได้ชังอะไรก็อยากจะกาจัดมันกลัวก็อยากจะหนีจากสิ่งที่เรากลัวอันนี้พอเกิดความอยากขึ้นมาในใจใจก็ลุกเป็นไฟขึ้นมานนั้นเหตุการณ์ต่างๆนี้ จะไม่เป็นปัญหาถ้าเรามากำจัดความรักชังโกลัหลงได้ถ้าเราไม่มีความรักชังโกลัหลงเราจะไม่มีความอยากได้เงินมาก็ไม่ได้ดีใจไม่ได้รักมันเสียเงินไปก็ไม่ได้เสียใจเพราะไม่ได้ใช้มันได้มาก็รับไว้เฉยๆแล้วก็เอาไปให้คนอื่นต่ออย่างพระอรหันต์เนี่ยอย่างหลวงตานี่ท่าน รับเงินทองมาจากญาติโยมก็เอาไปเข้าคลังหลวงหมดมอบให้กับคลังหลวงผ้าป่าทองคําที่รับมาเป็นตังค์ท่าไม่มีความรักกับเงินทองไม่มีความยินดีกับเงินทองที่ได้รับเพราะท่านไม่ได้ใช้มันได้ไม่ต้องใช้มันท่านมีความสุขจากการทําใจให้สงบเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้รับเงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้าน นั่นก็มอบให้กับคังหลวงหมดเอาเงินเข้าคังหมดถ้าจิตใจไม่มีความรักชังโกรหลงแล้วจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าเงินทองจะมาหรือเงินทองจะหายไปไม่ว่าตําแหน่งจะได้หรือตัดสเสียตาแหน่งไปไม่ว่าจะมีคนให้รางวัลหรือไม่ให้รางวัลไม่ว่าจะได้ไปเที่ยวหรือไม่ได้ไปเที่ยว ไปดูไปฟังหรือไม่ได้ดูไม่ได้ฟังอะไรไม่เดือดร้อนใจไม่ลุกเป็นไฟใจเย็นตลอดเวลาพอเชื่อในเชื้อไฟในใจถูกกำจัดไปหมดเชื้อไฟในใจก็คือความรักชังกลัวหลงก่อจากการทำใจให้นิ่งให้สงบให้รู้เฉยเฉยไม่ให้คิดใจเรานี่มีสองส่วนมีรู้ตัวรู้กับตัวคิดเราตัวรู้นี่ ถ้ามีแต่ตัวรู้ตัวเดียวจใจจะเย็นจะสบายแต่พอมีตัวคิดขึ้นมาแล้วใจจะร้อนเพราะใจคิดไม่เป็นใจมักจะคิดไปในทางความอยากเห็นอะไรลักใก็ก็จะอยากได้พออยากได้ขึ้นมาใจก็จะร้อนขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปหาสิ่งที่อยากได้ใครเจอฝนก็ต้องขยับเข้ามานะของไม่มั่งเดี๋ยวเดียวลองดู ถ้าหนักก็ต้องหาที่หลบฝนเอานะนี่ก็ห้ามไม่ได้มันเนี่ยฝนก็ห้ามไม่ได้แต่เราไม่ค่อยเดือดร้อนกับฝนเพราะเร า, เรายอมรับฝนตกเราก็หาร่มกลางกันแต่เรื่องอื่นไม่เราไม่ค่อยยอมรับกันเวลาแก่นี่มันไม่ยอมรับความแก่กันถ้ายอมรับความแก่มันก็ไม่ทุกข์ถ้าอยู่กับมันไป เข้ามาได้นั่นเนข้างหน้า น, นี้เข้ามาเข้ามาข้างในนี่ได้วันนี้ฝนเป็นเหตุแต่จากนั้นถ้าเรามีปัญญาเราจะเราจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเราจะเลิกหาความสุขจากการหาเงินทองหาตำแหน่งหายศหาอะไรหารางวัล หาลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วเาหันมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบเึ็ดเรื่องสมาธิทำใจให้สงบใจสงบต้องมีตัวกำกับใจใจเป็นเหมือนลิงอ่ะถ้าอยากจะจับลิงให้มันนั่งอยู่เฉยๆนี่ต้องเอาเชือกไปมัดม่นถ้ามีเชือกมัดตัวลิงไว้มันก็จะดิ้นไม่ได้มันก็จะนั่งเฉยๆใจเราก็ต้องมีอะไรมัดใจไว้ สิ่งที่มัดใจเราเรียกว่าสติเราต้องสร้างสติกันขึ้นมาเพราะตอนนี้เราไม่สามารถมัดใจเราได้ไม่สามารถหยุดความรักชังกลัวหลงในใจเราได้ยังเห็นอะไรก็ยังรักยังชงังยังกลัวยังหลงอยู่เราต้องใช้สติหยุดความคิดเพราะความคิดนี้ทำให้เราลักเราชางังถ้าเราหยุดคิดแล้วความรักความชังมันก็จะหยุดไป วิธีที่จะสร้างสติขึ้นมาก็คือต้องมีอะไรให้ให้ใจคิดอยู่เรื่องเดียวเช่นคิดอยู่คำเดียวคิดคำว่าพุโทโธพุธโทโธบริกรรมพุโทโธการบริกรรมพุโทโธนี่เราต้องทําก่อนที่เรามานั่งถ้ามาทําตอนที่เรานั่งมันมีกําลังไม่พอต้องฝึกพุโทโธก่อนต้องฝึกทั้งวันเลยเราทําอะไรนี่เราสามารถใช้พุโทโธได้ จะตื่นก็นมาลืมตาก็พุทโธอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็คิดเท่าที่จําเป็นแค่ตื่นขึ้นมาวันนี้ก็ถามตัวเองมาวันนี้วันอะไรต้องไปทํางานหรือต้องไปทําธุระอะไรพอรู้ว่าต้องทําอะไรแล้วก็ไปเตรียมตัวระหว่างที่เตรียมตัวก็ไม่ต้องคิดอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไป ถ้ามันจะคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมันถ้ามันไม่คิดก็ให้เฝ้าดูร่างกายไปหรือว่าตอนนี้กําลังทําอะไรกำลังกำลังแปลงฟันก็แปลงฟันไปกําลังล้างหน้าก็ล้างหน้าไปกําลังหวีผมก็หวีผมไปกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังทํากับข้าวทำกำลังรับประทานอาหารก็ให้มีสติเนี่ยให้จดจ่ออ ย, อยู่กับงานที่เราทําอย่าปล่อยให้มันคิดถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมัน พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราควบคุมความคิดได้เวลานั่งเฉยๆใจเราจะนิ่งถ้าเราไม่นั่งเฉยๆใจมันไม่นิ่งมันมันจะไม่ฟุ้งแต่มันไม่นิ่งเพราะว่ามันยังต้องทํางานอยู่มันยังต้องสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายจะเคลื่อนไหวได้ในี้ใจเป็นผู้สั่งจะลุกจะเดินจะอะไรนี้ใจต้องสั่งให้มันเดินสั่งให้มันลุก แต่ถ้าเราต้องการให้ใจหยุดทำงานใจให้นิ่งเราก็ต้องให้ร่างกายนั่งนิ่งนิ่งให้ร่างกายนั่งเฉยเฉยแล้วก็หลับตาไม่ให้ไปรับรู้อะไรเพราะถ้าลืมตาเดี๋ยวเห็นนู่นเห็นนี่ใจมันก็ยังคิดต่อหลับตาแล้วก็ให้ใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือใจให้ดูล่างกายก็ดูลมหายใจที่เข้าออกทางร่างกายเอาดูลมหายใจไป ลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่จุดที่ลมเข้าออกก็คือปลายจมูกทางเข้าออกของลมเราจะสัมผัสเห็นเราจะสัมผัสกับลมได้ตอนที่มันมาแตะที่ปลายจมูกเวลาเข้าเวลาออกมันจะมีลมสัมผัสอยู่แถวแถวนั้นแถวปลายจมูกหรือแถวบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมา ก็ให้จดจ่ออยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวอย่าตามเข้าตามออกเพราะมันจะไม่นิ่งต้องให้มันอยู่จุดเดียวหรือถ้าจะดูที่หน้าอกก็ได้เหมือที่เขาใช้วิธียุบหนอ่อพองหนอนี่ก็ดูลมที่หน้าอกเวลาลมเข้ามันจะพองหน้าอกมันจะพองเวลาลมออกมันก็จะยุบเท้าก็เลยดูที่หน้าอกเวลา เวลาหน้า อ, อกยุบเขาก็เรียกว่ายุบหนอเวลาหน้า อ, อกพองก็เรียกว่าพองหนอจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้รู้ว่ายุบรู้ว่าพองก็ได้ไม่ต้องพูดยุบหนอพองหนอก็ได้คือเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าทำให้ใจไม่คิดได้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งแล้วจะมีความสุขออนิ่งแล้วจะความรักชังกลัวหลงก็จะหายไป แล้วเราจะรู้ว่าความรักชังกลัวหลงเนี่ยเป็นตัวปัญหาไม่ใช่สิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆเขามีของเขาอยู่อย่างนี้มาตลอดแต่ใจเราไปมีอคติคือไปรักไปชงังพอรักอะไรก็อยากได้พอชังอะไรก็อยากจะกำจัดมันพอรักแล้วไม่ได้อยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจอยากจะกำจัดสิ่งที่เราไม่ชอบก็เสียใจไม่ได้ กำจัดไม่ได้ก็เสียใจไม่สบายใจแต่ถ้าใจเราเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเจออะไรก็เฉยไปรูปที่เคยรักเคยชังต่อไปก็เห็นแล้วก็เฉยเฉยเห็นคนที่เคยรักเคยชังพอมีพอได้กำจัดความรักชังกลัวหลงในใจแล้วเห็นเขาก็เฉยเฉยไม่เหมือนเมื่อก่อนเห็นใครเห็นใครรักก็ดีใจอยากจะให้เขาอยู่กับเรา พอเจอใครชังที่เราชังก็อยากจะกําจัดเขาอยากจะให้เขาหายไปแต่พอเรานั่งสมาธิใจเรามีความไม่มีรักชังกรหลงแล้วเวลาออกมาออกมาใหม่ๆความรักไม่ความไม่รักชังกลหลงนี้มันยังไม่มีแต่ถ้าออกมาสักพังแล้วเดี๋ยวมันมันโผล่ขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกับน้าเย็นที่เราแช่ในตู้เย็นเวลาแช่อยู่ในตู้เย็นออกมาใหม่ๆมันเย็น ถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มร้อนมันมันก็เริ่มหายเย็นใจเราออกจากสมาธิใหม่ๆนี้เห็นอะไรจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วเริ่มหายเย็นนะความรักชังกลับมาแล้วเดี๋ยวเห็นอะไรก็เริ่มรักเริ่มชังถ้าถ้าอยากจะหยุดความรักชังก็ต้องใช้สติพุทธโธพุทธโธไป ถ้าเข้าไปนั่งสมาธิไม่ได้ก็ใช้พุโทโธท่องไปในใจเวลาโกรธใครก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่เราโกรธเดี๋ยวไม่นานห้านาทีความโกรธก็จะหายไปเวลาลักอยากได้อะไรก็พุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวก็ลื่มเรื่องที่เราอยากจะได้ไปแล้วใจเราก็จะเฉยได้ต่อไปแต่ถ้าใช้ปัญญาได้ยิ่งดี พอรักอะไรก็พิจารณาว่าสิ่งที่เรารักมันเป็นของไม่เที่ยงชั่วคราวได้มาดีใจเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวเวลามันจากเราไปก็เสียใจสู้อยาไปมีดีกว่ะถ้ามีแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะต้องมีวันเสียใจจะต้องมีวันร้องห่มร้องไห้เพราะจะต้องมีการจากกันคิดอย่างนี้ก็จะเลิความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้คนนั้นคนนี้ได้ ใจต่อไปก็จะเฉยเฉยกับทุกอย่างเห็นคนนักก็เฉยไม่อยากได้เห็นคนช้างก็ไม่ไม่อยากจะกําจัดเขาเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเพราะเราไปควบคุมไปไปสั่งเขาไปห้ามเขาไม่ได้ไปไล่เขาไม่ได้เขาจะอยู่เราจะไปฆ่าเขามันก็บาปอีกบาปแล้วก็เป็นเรื่องวุ่นวายทางสร้างความทุกข์ใจ จะให้ขับไล่เขาไปเขาไม่ไปก็ปล่อยเขาอยู่ไปอยู่กับเขาไปต่างคนต่างอยู่กันไปถ้าใจไม่รักไม่ชังก็เฉยๆอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจถ้าเกิดความชังก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าเขาเป็นอนัตตาเขาไม่อยู่ภายใต้อำนาจที่เราจะไปควบคุมบังคับเขาได้เหมือนฝนเมื่อกี้ฝนตกเราจะไปสั่งให้เขาไม่ตกไม่ได้เราจะตกก็ต้องปล่อยให้เขาตกไป เราก็หลบหาที่หลบผลนไปเยอคนช่งให้ให้เขาไปไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่เขาอยู่มุมน้นเราก็อยู่มุมนี้ก็แล้วกันเยอย่าไปเจอกันถ้าเจอกันก็ทำใจเฉยๆพุทโธพุทโธไปก็อยู่กันได้แล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่อไปถ้าเรามีปัญญามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยมเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเราเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ตราไปเราจะไม่ทุกข์กับอะไรอะไรจะเกิดอะไรจะดับเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแม้แต่ร่างกายจะตายแล้วจะเป็นก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราจะไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปไม่ต้องพึง่งไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเรามี มีธรรมะเป็นเครื่องมือหาความสุขมีสติมีปัญญาสร้างความสุขภายในใจขึ้นมาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการใช้ร่างกาย <c oughs> การที่เราจะมีเงินทองมีอะไรต่างๆได้เราต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ไม่สามารถไปหาเงินทองหา คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนได้ต้องมีร่างกายแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ถ้าเราไม่ต้องการหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะ pues, ตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้มันแล้วแล้วเวลาร่างกายตายไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ พอเรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายถ้าเรายังไม่สามารถมีความสุขจากสติจากปัญญาได้เราก็ยังต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ต้องไปเที่ยวไปหาคนนั้นคนนี้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปหาเงินหาทองหาตําแหน่งหารังวีรางวัลวอะไรไปเพื่อจะได้เกิดความสุขขึ้นมาชั่วคราว แล้วพอร่างกายไม่สามารถหาได้ก็จะทุกข์เวลาร่างกายแก่ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ต้องอยู่บ้าน <c oughs> เพอเงาแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเราก็สบายไม่ต้องกังวลกับเรื่องของร่างกายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่พอร่างกายตายไปแล้วเราไม่ต้องใช้ใหม่เราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เวลาเราตายไปใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนร่างกายนี่เป็นเหมือนคนรับใช้ถ้าเราจะมีคนรับใช้อยู่ที่บ้านพอคนรับใช้เขาลาออกไปเราก็ต้องไปหาคนรับใช้อันใหม่ถ้าเรายังต้องใช้ต้องมีคนรับใช้อยู่แต่ถ้าเราทำงานในบ้านเราเองได้ซักซักเสื้อผ้าเองได้ กว่าาบ้านถูบ้านเองได้ทําอะไรเองได้ไม่ต้องมีคนใช้คนใช้จะออกหรือไม่ออกเราก็ไม่เดือดร้อนมีหรือไม่มีคนใช้เราก็ไม่เดือรดร้นอนไม่มีเสียจะดีกว่ามีแล้วเป็นภาระมีคนใช้ก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้เขาต้องเลี้ยงดูเขาต้องเอาใจเขาเดี๋ยวถ้าถ้าเขาโกรธขึ้นมาเดี๋ยวเขาขอกลับบ้านขอลาออกเราจะเดือดร้อน แต่ถ้าเราไม่ต้องมีคนใช้เราก็ไม่ต้องมาเอาใจเขาไม่ต้องมาเลี้ยงดูเขาไม่ต้องเสียเงินเดือนให้กับเขาจ่ายเงินเดือนให้เขาสบายกว่ามีคนใช้กับไม่มีคนใช้เนี่ยความจริงแล้วไม่มีสบายกว่าแต่เรากลับไม่รู้กันเรากลับไปคิดว่ามีคนใช้ล้วสบายเราจะได้ไม่เหนื่อยยิงอยู่ล้วอาจจะไม่เหนื่อยทางร่างกายแต่มันจะเหนื่อยใจเหนื่อยใจนี่มันหนักยิ่งกว่าเหนื่อยกาย ไม่มีร่างไม่มีคนใช้ดีกว่าเหมือนกับใจเราไม่มีร่างไม่มีร่างกายดีกว่าไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของร่างกายเนี่ยเมื่อวันนี้เรากังวลกับเรื่องร่างกายไหยกลัวมันจะแก่กลัวมันจะเจ็บกลัวมันจะตายกลัวมันจะเป็นนู่นเป็นนี่มีอะไรขึ้นมาที่หน้าหน่อยก็ตกใจแล้วมีสิวมีฝ้าโผล่ขึ้นมามีผมขาวโผล่ขึ้นมาหน่อย นั่งเหี่ยวหน่อยย่นหน่อยตกใจนะเพราะเรายังอยากให้มันดีอยากให้มันสวยมันงามอยู่แต่ต่อไปมันก็ต้องไม่ดีไม่สวยไม่งามมันก็เลยทำให้เราไม่มีความสุขใจดังนั้นมาหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่ามาฝึกสติมาพุโทโธพุโทโธมานั่งสมาธิทำใจให้สงบ แล้วก็มาสอนใจให้เกิดปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นความสุขในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปแล้วเวลาอยากได้ไม่ได้ขึ้นมาก็เสียใจสูเอาความสุขที่ถาวรที่เรามีได้ตลอดเวลาถ้าเรามีสติเราสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาถ้าเรามีปัญญาเราจะสอนใจให้เลอก ให้เลิกความอยากได้อยากได้อะไรก็หยุดมันได้พอไม่มีความอยากแล้วใจเราก็จะสงบไปตลอดเวลาเหมือนน้าที่ไม่มีใครเอาก้อนห็นไโยนใส่น้ำหรือน้าที่จับปลาออกมาจากในน้ำให้มันหมดเนี่ยพอไม่มีตัวปลาในน้ำแล้วก็จะไม่มีอะไรมากระทำให้น้ำกระเพื่อมตัวที่ทำให้ใจเรากระเพื่อมทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราทุกข์ก็คือความอยากของเรานี่เอง อยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายอยากมีแฟนอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นพอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์เพราะเรามองไม่เห็นว่าเราไปควบคุ ม, มคบังคับเขาไม่ได้ถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนกับเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเราควบคุมบังคับไม่ได้ ไปอยากให้ฝนไม่ตกไม่ได้มันจะตกก็ต้องให้มันตกไปเราถึงไม่ค่อยเดือดร้อนกับฝนฟ้าอากาศใช่ไหนะเราก็ปล่อยไปแต่กับคนอื่นนี่เรา้ากลับไปเดือดร้อนทาําไมเพรเรายังคิดว่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้พอก็ไม่เป็นก็เดือดร้อนใจขึ้นมานั้นปัญยามองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศแล้วจะสบายใจอจะได้ไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยเขาเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขา เขาจะดีกับเรื่องของเขาเขาประช ua กับเรื่องของเขาถ้าเรามีความสุขถ้าเราสามารถหาความสุขในตัวเราได้แล้วเราไม่ต้องไปยุบกับใครไม่ต้องไปอยากให้เขาดีกับเราดีหรือไม่ดีก็เราก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้เขาให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถมีความสุขจากการมีสติกับมีปัญญาได้นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ แล้วนะมามาเผยแพร่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราถ้าไม่มพีพระพุทธเจ้าเราก็ยังต้องหาความสุขแบบที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์กันนหาความสุขจากลาบยศตะละเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่ช้าก็เร็วจะต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะจะไม่สามารถหาได้หรือได้มาแล้วจะต้องเสียไปเพราะในที่สุดเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปะ อย่างนั้นโชคเราโชคดีชาตินี้ได้มาเกิดมาได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มาเจอวิธีที่จะหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะไม่มีวันจากเราไปที่จะเป็นของเราไปตลอดในความสุขจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นในวันพระนี้พระเจ้าก็สอนให้เรามาปฏิบัติมาศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติต้องศึกษาเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไร มารูแล้วก็ให้ทำก็คือให้มามีสติมาสร้างสติสร้างปัญญากันแล้วทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปก็ขอให้ท่านจงนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้วิธีหาความสุขแบบพบระพุทธเจ้านี้ลองไปปฏิบัติ ด, ดูแล้วรับรองได้ว่าจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกบา จันโทปนะหราโสยทธามณนิโชติราโสยทธาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีิตสะนิจังวุทาปะจายโน จัตารุธรรมวะทานติอายุวโนสุขังพภาสสุุุลังวันนี้ทางเฟซบุ๊กยูทูบเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ Facebook สูงสุด411ค่ะ YouTube มี159ค่ะวิทยุมี11ค่ะอ๋อวิทยุเยอะเนี่ยวันนี้21 ห้าร้อยกว่าเกืบหกร้อยวันี้ผมมาจากพรีเซอร์โวลครับสาธุตอนที่สองแล้วครับผมมีคําถามพะอาจารย์ครับเชิญการที่เราเดินจงกรมและนั่งสมาธิถือว่าเป็นบุญที่สูงใช่ไหมครับได้ถ้าเราจะกรณ์น้ําญที่ส่วนกุศลให้กับผู้ผู้ตายไปเนี่ยเขาจะได้รับไหมครับคือบุญที่เราได้จากการเดินจงกรมนั่งสมาธิมันยังไม่สมบูรณ์ เพราะว่ามันยังไม่ได้ผลนะครับเรายังจิตยังไม่รวมยังไม่ได้ขั้นอุเบกขาขั้นมันก็เป็นเหมือนก็เรากำลังปลูกต้นไม้อยู่ปลูกต้นทุเรียนี้กว่าจะได้ทุเรียนมันต้องใช้หลายปีถ้าอยากจะได้ผลเร็วไปปลูกข้าวมันเร็วกาสามเดือนอนะงั้นมักจะถ้าเราอยากต้องการอุทิศบุญที่แน่นอนเราก็ถวายทำบุญใส่บาตรไป นี้จะได้บุญพระใส่บาตรพระเดินหุนใส่ทำบุญทั่วไปนี่นะอย่างนั้นจะได้บุญแน่นอนกว่าถึงแม้มันจะน้อยกว่าแต่มันเป็นบุญที่ได้เต็มรูกแต่เวลามานั่งสมาธิเดินจงกรมนี่มันยังเป็นการสร้างบุญอยู่เป็นการปลูกต้นไม้อยู่ยังไม่ออกดอกออกผล เ, เราแผ่บุญให้กับลูกหลานนี่ลูกหลานได้รับเลครับอาทิตย์พ่อหรือคนที่ได้ถ้าเขาถ้าเขาอยู่เขาไม่ได้อเขาต้องทําเองอ ก็บุญที่เราที่นี่เป็นบุญนิดเดียวเป็นบุญแบบเป็นเศษเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าให้ขอทานนั้นครั้นส่วนเงินที่เราได้จากนั่งสมาธิเหมือนเงินเงินล้านอยู่ในธนาคารเนีลยแต่ยังไม่ได้เป็นเงินเพราะาเรายังกําลังสร้างมันขึ้นมาอยู่ในกระทั่งแข่บุญให้ลูกหลานบอกว่าเอารับบุญไป็นน้ให้เขาสาธุก็ไม่ได้ต้องสอนให้เขาทําบุญอ๋อครับเขาสาธุก็ได้บุญตรงที่เขาสาธุคือ เขาถ้าก็ไม่สาธุเขาก็จะไม่มีความสุขเช่นเขาเห็นพ่อเอาเงินไปทําบุญเขากลัวเดี๋ยวไม่มีมรดกเหลือเขาก็ไม่สาธุแต่แต่เราเดินชมงคมทั้งสมาธินะครับอันนี้เราหมายถึงเดินชมโคมทั้งสมาธิใช่ยังไม่เกิดบุญไงเขาก็ไม่ได้รับใช่ไหมคนที่ยัเป็นเป็นเลยนะไม่ได้รับหรอกงั้นก็ไม่ต้องงั้นก็ให้คนอื่นทําให้เราสิไม่ได้หรอกอย่างน้อยได้สักสิบเปอร์เซ็นก็ยังดไม่ได้เลยได้ตรงที่เขาอนุโมทนามันเป็นบุญอย่างหนึ่ง คือบุญที่ไม่ไม่ได้อิจฉาลิษยาไม่ได้เกิดการต่อต้านการกระทําความดีของผู้อื่นอันนั้นเป็นบุญอีอย่างแต่การทําบุญใส่บาตรพระเนี่ยเราแผ่บุญให้ลูกหลานเขาได้รับนะไม่ได้ลูกหลานก็ต้องทําเองเขาก็ทําเองด้วยเหมือนกันนะเขาต้องทําเองก็ถึงจะได้เช่นผมมาทําบุญกับพระอาจารย์เนี่ยผมก็บอกเนี่ยวันนี้มากราบพระอาจารย์นะทำบุญด้วยอนุโมทนาบุญกับพ่อด้วยนะเขาจะได้บุญที่เกิดจากอ่านอนุโมทนาแต่ไม่ได้เกิดจากบุญที่ ได้ได้เสียเงินไปอ๋อก็ยังยังได้รับบ้างใช่ไหมบุญคนตัวอย่างเลยอ๋อครับคนละคนต่อเรื่องกันบุญอนุโมทนากับบุญที่เสียเงินทางบนี้คนต่ายางกันเขาก็เพียงแต่ดีใจกับพ่อว่าเห็นพ่อได้ทําบุญก็เป็นคะแนนบุญเขาได้คะแนนนะครก็เปนมันมีบุญหลายหลายหลายหลา ย, หลายแบบเนี่ยเหมือนออกับข้าวคนละชนิดกันโยมาโยมาซื้อกับข้าวซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกลับไปที่บ้าน แล้วไปบอกลูกว่าพอได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวลูกเขาก็ดีใจเห็นพ่อซื้อก๋วยเตี๋ยวพ่อจะได้มีข้าวกินความดีใจของเขาที่เห็นพ่อได้ได้มีความสุขนี่เป็นเป็น เ, นเนข้าวผัดหรือเป็นขนมมันคนละอย่างกันมันไม่ได้เป็นบุญอย่างเดียวกันถ้าเขาอยากจะได้ก๋วยเตี๋ยวเขาก็ต้องฝากเงินให้โยมมาทําด้วยแล้วก่อนจะออกจากบ้านก็บอกลูกว่าวันนี้พ่อจะไปทําบุญนะ แล้วลูกว่าเผมขอฝากเงินไปทำด้วยอย่างนี้เขาก็จะได้บุญออนี่ได้ได้ยังไงแต่เราไปบังคับอย่าไปบอกไปจะเชิ่บังคับก่อนต้องให้เขาออกมาจากความยินดีของเขาความต้องการของเขาถ้าไปบอกบังคับเขามันถูกบังคับนี่เหมือนกับถูกจี้มันจะไม่มีความสุขเหมือนกับการที่ยินดีที่จะทำด้วยอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเลี้ยงกุ้งแล้วขายไปเนี่ย เขาจะไปทําอะไรเราไม่ทราบหรือจะไปขายกินอะไรคนเลี้ยงจะบาปไหมครับไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่ไม่ดีว่าส่งเสริมให้คนอื่นก็ทําบาปรวมันก็เป็นอาหารนั่นนะฮะนั่นสิอาหารแต่ก็ยังเป็นชีวิตของเขาไงเราบาปเลยครับคนเลี้ยงบาปเนี่ยะคนเลี้ยงไม่บาปแต่เป็นอาชีพไม่ควรทำเพราะทาให้คนว่าคนอื่นก็ทําบาปไปส่งเสริมการทําบาปแต่ท้งที่ในแง่ดีก็ทําให้คนได้มีอาหารในการกิน อาหารสมบูรณ์ก็กินผักกินกินของที่ไม่มีชีวิตก็ได้เนี่ยกินผักกินถั่วกินงานกินข้าวแล้วก็ก็ปลูกข้าวขายสิเขาก็มีข้าวกินเขาก็มีอาหารเหมือนกันอีกอีกเรื่องนี่นะครับเชือดวัวเชือดควายนี่ถือว่าบาปหนาใช่ไหมและนี้ถ้าเรามาหนึ่งชีวิตนะครับแต่การลวกหอยแครงกุ้งเผา มันใช้ชีวิตเอบาปนะบาเบาต่างกันคนหนึ่อกินกุ้งต้องสิบตัวถึงจะอิ่มแต่เชื่อบัวเชื่อควายเลี้ยงคนในทั้งหมู่บ้านอ่อันไหนมันบาปกว่ากันอรัก็อย่างนี้ไงต้องคือค่าสิ่งที่มีชีวิตที่มีคุณย่ำบาปหนักกว่าค่าสิ่งที่ไม่มีคุณอนถ้าลวกไอยแข่งร้อยโจนี่มันบาปเบากว่าเชื่อบัวเพราะวัวมันมีคนมีคนค่านอกจากให้อาหารเราแล้วมันยัง ใช้งานรับใช้งานเราได้บาปคือความทุกข์มันจะหนักเบาต่างกันผมเห็นอย่างนีว่าเออมันเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลยนะอุบัติหนุนตัวใช่แต่ในทางกลับกันก็คือคนที่ฆ่าเนี่ยอย่างไหนก็จะต้องกลับไปเกิดอย่างนั้นให้เขาฆ่าครับถ้าฆ่าควายก็ต้องไปเกิดเป็นควายให้เขาฆ่าถ้าฆ่าหอยก็ต้องกลับไปเกิดเป็นหอยให้เขาฆ่า ค่าหอยเป็นร้อยตัวก็ต้องไปเป็นหอยร้อยร้อยครั้งเนยให้เขาฆ่าร้อยครั้งคือผมกำลังชัางน้ําหนักว่าะใะไบาป ก, กว่ากัน อ, อมันอยู่ทําอะไรมันจะได้เท่ามันจะได้กลับม า, าอย่างนั้นเินกนุ้งเผานี่ก็บาปยอ่อมกันดิษฐ์ถ้าเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเราไม่ได้ฆ่าอย่างไม่บาปเช่นของมันตายแล้วเราไปซื้อที่ตลาดอย่างเงี้ย อ, อันนี้ไม่บาปแต่ถ้าเราไปสั่งมาค้าไว้ล่วงหน้าว่าพวกนี้เอากุ้งกิโลอย่างเงี้ยบาป ถ้าถ้าเขาต้องไปไปเอาของมาค่าให้เราอนี้บาปสั่งพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวนะนี่เขาก็ต้องไปสั่งหรือไปหาไก่มาค่ามาขายเราถ้าสั่งเขาก็ดีทำเองก็ดีถึงจะบาปถ้าเราไม่ได้สั่งไม่ได้ทำเองของมันตายอยู่แล้วนี่ไม่บาปเช่นขับรถไปแล้ว เ, เห็นไก่ถูกชนตายข้างถนนนี้เอาไก่ตัวนั้นไปกินก็ไม่บาป ไมม่ีเจเราไม่มีเราไม่มีส่วนที่ทําให้เขาตายเราก็ไม่บาปการที่กินซากของเขานี่ไม่บาปแต่ถ้าเรามีส่วนที่ทําให้เขาตายแล้วเาเข้ามากินนเบาปฆ่าแล้วจะกินไม่กินก็บาปแล้วล่ะไม่อยู่ที่ว่ากินหรือไม่กินอยู่ที่ว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าต้องมีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปเช่นขับรถแล้วไก่มันวิ่งตัดหน้าตายอย่า เราก็เอาไก่ตัวนั้นไปกินไปแกงก็ไม่บาปเพรา ะ, ะเราไม่มีเจตนาที่<ก>จะฆ่าสุนนัททั้งงูผมก็ทับมาด้านล่ะถ้าไม่มีความตั้งจใจไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจไม่บาปก่อนมีของพี่ทั้งสักครู่ค่ะท่านั่งร่วงวงด้วยค่ะเขาจับกุ้งมากู้ไม่ตายเราเก็บร่วมครับาหารด้วยเราก็ใจเราก็ไม่อยากจะฆ่า แต่คนที่สั่งให้ข้าจับอค่ะเชื่อเรื่องถ้าเราไม่ได้เราร่วมวงแต่เราไม่ได้สั่งไม่ได้ทําแล้วก็ไม่ไม่ไม่เป็นผลนั่นแหละประเด็นคือถามาถามแล้วว่ากินด้วยกันไหมนั่นแหละเราถ้ารักสิบว่าถ้ามันตายแล้วกินไม่บาปหรอบถ้าเราไม่ได้ทําเองหรือสั่งให้ก็ทําแต่ถ้าเราไปสั่งเขาว่าพี่ไปกินร้านนี้ด้วยกันแต่พอถึงร้านแล้วก็นั่งเฉยเฉยไม่ได้ไปทำอะไรนี่ก็เหมือนกับไปสั่งก็แล้วสั่งให้เขาพาเราไปกินร้านนี้ เราต้องไม่สั่งให้ก็ชวนเราไปชวนไปกินข้าวไปไม่รู้ไปไหนให้เขไปไปกินร้านนี้แต่ถ้าเราอยากจะให้มันบริสุทธิ์ก็อย่าไปถ้าเรารู้ว่าร้านนี้มีแต่ของเป็นแล้วไปแล้วต้องไปสั่งให้เขาค่าถึงแม้เราไม่ได้สั่งเองถึงแม้เราไม่ได้ทําเองเราก็เราเองก็ได้รับประโยชน์หรืเราไปส่งเสริมให้เขาต้องสั่งต้องค่าเพื่อเราอันนี้ก็ไม่ควรต้อง วิธีที่จะทำให้เราไม่อยากจะฆ่าก็คือต้องมองเขาว่าสิ่งที่ถูกฆ่าก็เหมือนเราถึงแม้จะเป็นปูเป็นปลาเป็นหอยเราไม่แน่ชาติหน้าเราอาจจะเกิดไปเป็นปูเป็นปลาได้เพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ตายไปแต่เราไม่ได้ตายแล้วถ้าเราทำบาปเราก็มีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นปูเป็นปลาเป็นหอยได้ แล้ถ้าเกิดเราเคยฆ่าปูฆ่าปลามาเราก็จะถูกฆ่าแต่ถ้าเราไม่เคยฆ่าปูฆ่าปลาถึงแม้จะเป็นเป็นปูเป็นปลาก็อาจจะไม่ถูกฆ่าพอดีฟังซีร พ, พระอาจารย์ u t u b e ยังน้อยอยู่นะคะแ ต, แต่วันนี้ก็อยากจะให้พระอาจารย์ขยายความเรื่องตัณหาะคะที่มีตัณหาสามนะคะเออคความอยากสามความอยากการมาตัณหาก็คือความอยากใน กามาคุณห้ากามาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่เราใช้ตาหูจมูกรื่นกายสัมผัสเส็บอยากจะดูรูปอยากจะดูหนังนี่ก็กาม า, มาตัณหาขึ้นมาเพราะต้องใช้ตาดูรูปดูรูปของภาพยนตร์อยากจะไปฟังเพลง <c oughs> ก็เป็นตัณหาอยากฟังทางทางหูฟังเสียงอยากลิ้มรสอยากจะกินขนมเห็นขนมแล้วอยากจะลด สัมผัสการลดของขนมนี่ก็เป็นกามตาตนะที่เราเสพกันทุกวันนี่การเสพนี่ก็เสพถ้าเสพด้วยความอยากก็เป็นตัณหาแ ต, แต่ถ้าเสพเพราะไม่ได้อยากแต่ถึงเวลาจะต้องกินอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ได้กินเพราะความอยากท่านกินเพราะมันถึงเวลาจะต้องกินก็กินเหมือนกินยาถ้ากินแบบกินยาก็ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่กามตาตนะในบางคนไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตัดสะดุ้แล้วทำไมยังต้องมากิน ขนมกินอาหารอยู่ก็ท่านท่านไม่กินแบบพวกเรากินท่านกินแบบกินยาอาหารมันก็เป็นเหมือนยาหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายอยู่ไม่เจ็บไข้ไม่ตายอันนี้ก็กินแบบกินยากินเป็นเวลาไม่ได้กินตามความอยากแต่ถ้ากินตามความอยากมันไม่มีเวลาใช่ไหมอยากตอนไหนก็เปิดตู้ตอนนั้นเลยนั่นก็สมัยนี้ก็โทรสั่งมาได้ลงมาถึง อันนี้เรียกว่ากินต่างความอยากก็เรียกเรียกว่าความอยากในรูปเสียงกีดว่าเรียกวกามาตัญหาภาวะตัญหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากจะเป็นนายร้อยอยากจะเป็นนายพันนี่ก็เรียกอยากมีอยากเป็นอยากมีสามีอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นสมบัติของเราเนี่ยก็เรียกว่าอยากมีมีทรัพย์มีลาบมียศมีสรรเสริญก็เรียกว่ภาวะตัญหา วิภาวตัณหาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่มีสิ่งที่เราไม่ชอบเลยไม่ไม่อยากจนใช่ไหมไม่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอแก่ก็ทุกข์พะเกิดความอยากไม่อยากแก่ขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากไม่แก่เวลาแก่มันจะไม่ทุกข์เราถึงต้องมาหยุดวิภาวะตัณหาหยุดภาวะตัณหาถ้าเราไม่มีความอยากเป็นอะไรเราก็อยู่เฉยๆได้ถ้าอยากจะเป็นผู้แทนเดี๋ยวก็ต้องไปหาเสียง่ะ อยากจะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปหาเสียงหาเงินหาอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วถ้าไม่ได้ก็เสียใจการทำตามความอยากมันจะนำไปสู่ความทุกข์ทุกตั้งแต่เริ่มอยากพอเริ่มอยากแล้วใจก็เพิ่มแล้วใจไม่นิ่งแล้วใจเริ่มกังวลกระวยก็สับกระสายลุ้นเขาเรียกลุ้นเนี่ยลุ้นมันจะได้หรือเปล่าจดจ้องจดจอ พอได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็อยากจะได้มากกันเดิมอีกพอได้เป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ก็อยากจะเป็นกำนันแล้วสิฮนะอยากกำนันแล้วต่อไปก็อยากจะเป็นนายกอบอต อ, อบอจ อ, อะไรา็ว่าไปเนี่ยมันก็จะอยากไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกหรือว่าเสียสิ่งที่ได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์อีกเนี่ยงั้นอย่าไปอยากมันจะดีกว่าครับเนี่ยความอยากทั้งสามประการเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายใจไม่นิ่ง ใจต้องเ น, น้นน้นแล้วไม่มีร่างกายก็ต้องทําให้เรากลับมามีร่างกายใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายใหม่ไปหาสิ่งที่เราอยากได้เราจึงเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้แล้วเรามีความอยากบางทีก็ต้องไปทําบาปใช่ไหมทํ <Okay. S 2> ถาถ้าทาําแบบไม่บาปมันไม่ได้ก็เลยต้องเอาแบบทําบา ป, บาปมันทําอยากจะได้อะไร ง, ง่ายๆเร็วๆมากๆมันต้องทําบาป พอทำบาปตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเเป็นปูเป็นปลาเป็นหอยเป็นอะไรอีกเนี่ยเราก็จะมาวนเวียนอยู่กับการทำบาปแล้วก็ไปรับผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาทำบาปใหม่เพราะยังมีความอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่แต่ถ้าเรามาเจอพระพุทธเจ้าเจอคำสอนของพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามาหยุดความอยากดีกว่ามา จเจริญสติพุโทโธพุโทโธมานั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจใสงบความอยากก็หายไปแล้วก็มีความสุขมากกว่าได้ได้ทำตามความอยากต่อไปเราก็เลิกทำตามความอยากได้เวลาอยากได้เรถ้ารู้ว่ามันเป็นทุกข์สู้มานั่งสมาธิดีกว่าฉันอยากจะไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดดีกว่าไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ เพราะว่ามันจะทำให้เราเลิอกอยากเที่ยวได้ทุกครั้งอยากจะเที่ยวก็ไปอยู่วัดเนี่ยเราไปความอยากเที่ยวมันก็หมดกำลังเองมันจะไม่รู้สึกอยากจะเที่ยวมันอยากไปอยู่วัดดีกว่าอยู่วัดเรามีความสุขมากกว่ามีความสง บ, บมากกว่าต่อไปก็อยู่แบบไม่กลับบ้านเลยบวชเลยนี่ขอคุณอาาถามที่ข้อครับอย่างการที่เราไปจำหนิพระสงฆ์ที่ทาตัวไม่ถูกเนี่ยเราบาปไหมครับ คือ่ารจะทำตัวไม่ถูกจริงๆเอยเราเราบาไหมครับก็อยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่ไปตำหนิเขาหรือเปล่าถามีหน้าที่ก็ไม่บาปเรานอยากจะให้พระาศาสนาคือพระสงฆ์ไม่ทาตัวให้แบบน่้ยาเมเราเร า, เ ร, า, เ ร, า, เ ร, ารักษาพระาศาสนาใช่เราต้องมีเราต้องมีกาละเทศเะถ้าลูกเรานี้ยไม่ทาไม่ดีเราก็ต้องตาหนิมันใช่ไหมแต่ลูกชาวบ้านเราไปตาหนิเขาได้หรอ ใช่ก็ต้องมีกาลเทศะเเราไม่ต้องไปแจกต้องไปยุ่งเลยเรื่องของเรื่องของชาวบ้านเขาเดี๋ยวเขาคนหนึ่งก็มีหน้าที่ก็ทําของหน้าที่ของเขาไปเองเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จับเสกเองอถึงจับเสกอะไรไปคือเราไปทําก็เท่านั้นเน่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราจะเราบาปไหมครับถ้าเราทำอ๋อไม่บาปหรอกมันก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราทําด้วยอัคติหรือเปล่าไม่ครับถ้าทําด้วยความเกลียดมันก็เป็นมันก็ทําให้เราทุกข์ได้ครับ ถ้าเราทําเพราะมันทําด้วยเหตุด้วยผลก็ไม่ทุกขไม่ทั้งวิจารณ์ทั้งอปรามาอันนี้ก็ถือว่าไม่บาปนะครับไม่ไม่บาปแน่ๆเลยถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นไม่โกหกก็ไม่บาปแต่ถ้าไปปลามาสพระที่เขาไม่ผิดนี้ก็ก็บาปไปว่าร้ายเขาโดยที่เขาไม่รู้จริงใช่โดยที่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่าอย่างนี้ก็บาปเพราะเหมือนก็ว่าเป็นการไปไปโกหกหลอกลวง ผู้อื่นบอกให้ให้เขาเกียรติชังพระรูปนี้เพราะเราไม่พระชอบพระรูปนี้ก็เลยก็เลยไปพูดว่าพระรูปนี้ไม่ดีทํานู่นทำนี่ ท, ทั้งท<ะ>ั้งที่เราแม้กระทั่งแม้กระทั่งคิดนี่บาปนะมันเป็นอกุศลเวลาคิดยังไม่บาปจะมันจะบาปก็ต่อเมื่อออกมาทางวาจารหรือทางกายเพราะผมเคยโดนคุณแม่บอกนะีคิดก็บาปแล้วก็นั่นแหละพราะเพราะคิดแล้วเพราะคิดแล้วมันจะไปทําต่อเนี <c oughs> ่ยกินแล้วมันจะไปสู่การพูด ถ้าเราหยุดคิดได้มันก็จะไม่ไปพูดไปทำเาะฉนั้นถ้าอยากคิดดีกว่าแต่คิดแล้วเหมือนก็เริ่มจุดไฟแนละ้วพอจุดไฟแล้วเดี๋ยวมันก็ลามออกไปทางกายทางวาจาต่อไปจุดไฟจะร้อนลมคิดมันก็จะทําให้ใจเราร้อนเท่านั้นน่ะทำให้ใจเราร้อนทําให้ใจเราทุกข์ถ้าไม่คิดว่าเรื่องของชาวบ้านเขาเราอย่าไปยุ่งสบายกว่าจบบางที คนเราก็ได้ช่วยกันดูแลนะฮะดูแลพระศาสนาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาบวชสิันดูแลผมเคยบวชมาแล้วครับเคยบวชแล้วอย่างนี้ว่าอยากดูแลที่เราไม่มีใครช่วยกันช่วยกันก็ไม่ได้ขอเราให้เราไปช่วยเท่าหน่อยคอยปากกันเยอะน้องดูแลบ้านของเราดีกว่าดูแลคนของเราดีกว่าคนไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องไปดูแลก็าหรอ เขามีเขามีกฎหมายเขามีคณะสงฆ์เขามีอะไรก็ปล่อยก็าทำหน้าที่ของเขาไปยิ่งเราเราไปเราไปช่วยดูแลมันก็ยิ่งวุ่นวายกันใหญ่ใช่ไหมมันก็เกิดโดยหลักโดยทั่วไปถ้าพูดตัวรูปภาพรวมเนี่ยก็คารวาต้องน้อมอ่อนน้อมต่อพระสงฆ์พระเจ้าสีน้อยกว่าอะไรทำนองนั้นดันั้นเราถ้าไม่อยากจะไปทําลายภาพนี้เราก็อย่าไป อย่าไปร่วงเกินเราถึงแม้ท่านจะเลวร้ายก็ช่างหัวท่านมันมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปที่ผมใจบาปผมก็ไม่ไม่สนใจถือว่าหลงถวายแต่พระผู้เจ้าแล้วกันอะสถ้าถ้าไม่ไม่มั่นใจก็เก็บเงินไว้ไปใส่กับพระที่เรามั่นใจก็ได้แต่ถึงสงิีไม่ดีเราก็ได้บุญอยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อบุญได้แน่แน่พระยืนตามตลาดสดนี่เราก็ใส่ยไหมได้เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ดีตรงที่ไปส่งเสริมพระไม่ดี ไม่มีทางเลือกครพระสะดวกจอดรถแล้วใส่ผ่านเลยสะดวกมากก็ให้เอาเงินเก็บไว้ในกระป๋าก่อนก็ได้แล้ววันไหนไปวัดที่ไปที่เราไปพบกับที่เรามั่นใจกับพระที่เราศรัทธาเราก็เอาไปถวายท่านที่นั่นเลยดีกว่าไปส่งเสริมพระที่ดีดีกว่าอครับพระที่ไม่ดีจะได้ร่อยหลอลงไปเพราะถ้าไม่มีใครสนับสนุนมันมันก็จะได้ไม่ไม่ไม่อยู่อยู่อยู่ไม่ได้เพราะจะต้องสึกเพราะว่าไม่มีข้าวกินอย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่สนใจแทนที่เราจะช่วยศาสนาเรากลับไปช่วยทำลายศาสน า, เ, นานนเพราะเราไปสนับสนุนพระที่ไม่อยู่ในธรรมในวินยัยแล้วเปิดบากมาอันนี้สตังนั่นเลยฮ ะ, อ, ะอันนี้อันนี้ถ้าเราถวายด้วยปัดใจด้วยสตังในบากแทนข้าวเนี่ยได้บุญไหมครับคนถวายเนี่ยได้แต่พระี่ผิดพระวินยัยเพราะว่า เงินทางท่านรับกับมือไม่ได้แล้วถ้าไม่มีสตางนะฮะท่านรู้สึกจะมองๆไงล้ลเราถวายแต่ข้าวอย่างเดียวนะฮะไม่มีตังเนี่ยท่านเก็บแต่ถ้าท่านมีลูกศิษย์มาด้วยฝากไว้กับลูกศิษย์นี่ไม่ได่ยาท่ามเอูกศยามาด้วมฝากไว้กับลูกศิษย์นี่ทม่ได้แต่าท่านมีลูกศิษย์มาด้วย่ากไว้กับลูกศอยนไม่ได้ลงในบาทบานมีมาดากไว้กับลย่ม่ต่าท่านมีลูกย์มาด้วยาไว้ับอาหารแต่ แต่พระก็ไม่ควรรับเงินทองกับมือนี่ต้องทําให้รับมาไม่เห็นข้าวเลยเป็แต่ตังค์เลยก็มันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเลยตามเลยญาติโยมก็อยากชัสะดวกพระก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รับก็เดี๋ยวก็บางทีญาติโยมก็ถามทําไมไม่รับอย่างเก็ต้องมาพูดยืดยาวครับเออ ก็เลยป่อยเลยตามไล้ก็ไม่ให้พรตรงนั้นโยมก็รอทําไมไม่ให้พรอ่างานอะไรก็ขความจริงไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ก็พรมันเกิดแล้วจากการให้ของเราครับพรก็คือบุญเนี่ยบุญที่เราได้ทําเนี่ยทําให้เรามีอายุมันวันณ่สุขะภะละครับปัญหาก็คือไม่ได้ศึกษากันอะพระก็ไม่ศึกษาโยมก็ไม่ศึกษากันก็เลยม่วกันไปเลยตามเลยกันไปคือผมก็ว่าศึกษาแต่ว่ามันเป็นตาม ความเปลี่ยนแปลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปซะแล้วอีกหน่อยจะมีดีลิเวอรี่ก็ไม่ทราบนะทำบุญได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เดียวกดมือถือได้ไงกดใช่กดมือถือได้อยากจะทำบุญก็มีหมายเลขบัญชีโอนเข้าได้ไม่าจะเป็นงานทีมันด่เียเแล้วแต่สำหรับคนทำก็อย่างน้อยก็สบายใจเราเราก็ทราบหลักนะแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไอ้วิธีทาบุญไม่เป็นไรหรอกมันทำได้แบบ ใช้มือถือใช้อะไรนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนมันก็เป็นการทำบุญเหมือนกันสะดวกสบายครับครับท่านี้ครับาจายนะการสวดมนต์ภาว น, วนวาที่เป็นบุญันสูงสุดหรือป่ครับการสวดมวนต์นี้ยังไม่สูงสุดเป็นขั้นที่ลองสูงสุดการสวดมวนต์นี้เป็นการฝึกทำใจให้สงบให้ระ ง, งับความคิดปรุงแต่งต่างๆ แต่ความสุขที่สูงกว่า น, นี้ก็คือความสุขที่เกิดจากการมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ถ้าร่วมเป็นทุกข์เราจะได้หยุดความอยากต่างๆที่มีในใจเราพอไม่มีความอยากเราใจเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะมีความสุขไปตลอด <Yeah. S 1> อันนั้นแต่ก็ต้องรอต้องผ่านขั้นสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ทใจให้สงบก่อนถึงจะรู้ว่าความสงบนี้ดีอย่างไร พอดีแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเห็นว่าพอเกิดความอยากใจก็หายสงบใจก็วุ่นวายก็ต้องหาวิธีหยุดความอยากวิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าสอนคือมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันไม่ได้เป็นสุขอย่างที่เราคิดหรอกมันสุขนิดเดียวสุขแบบน้ำตาลเคลือบยาขมใหม่ๆก็สุกแล้วเดี๋ยวพอน้ำตาลมันจางหายไปก็จะความขม สุขจากการมีแฟนใหม่ๆเจอกันได้กันก็ดีใจมีความสุขอยู่ไปสักพักเดี๋ยวก็ทะเลาะกันละความสุขนั้นก็หายไปเดี๋ยวถ้าจากกันก็เสียใจอีกให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปมันก็จะทำให้เราไม่เอาดีกว่าไม่อยากดีกว่าเราก็จะอยู่อย่างไม่อยากแล้วอยู่อย่างถ้าไม่มีความอยากในใจใจเราก็จะสงบมีความสุขไปตลอด อันนั้นก็ต้องมันเป็นสองขั้นขั้นแรกต้องทำใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ก็ได้บริกรรมพุทธโธก็ได้นั่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้อันนี้เป็นวิธีเดียวกันทำใจให้สงบทำใจให้หยุดความอยากชั่วคราวแล้วจะเห็นว่าการไม่มีความอยากนี่แสนจะสบายแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากอยากแล้วจะทุกข์มากกว่าสุขสุขเดียวเดียวแล้วก็นํามานบตาตกใน คนที่มีครอบครัวมีแฟนนี่จำส่วนใหญ่มีน้ําตาตกในนั่นกันนะแต่มันไม่กมันแบบเกินไม่เข้าคลายไม่ออกอาจารย์คะอย่างที่หลวงพ่อพูดก็ถูกนะคะแต่ตอนนี้ด้วยความอยาวเราคงดีมันด้วยหน้าที่บังคับใช่ไหมคะเราก็อยากจะมีปัญญาที่จะจัดการไปเรื่องๆไปอย่างนะะี้ยค่ะก็ได้ก็จัดการให้มันพอเหมาะพอสมตามเหตุตามผล ถ้าไม่เั้นถ้าเราอยู่เฉยมันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วก็ความอยากเราจะต้องสอนรูปหรือสอนใจตัวเราเองแล้วก็มันก็ต้องใช้ความอยากมาดับขึ้นแต่เราไม่ได้ไม่ได้เป็นคำที่ใครก็เดือดร้อนก็ <c oughs> อย่าให้เราเดือดร้อนด้วยกันแล้ <c oughs> วกันบางที่อยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากมันจะเดือดร้อนติอ่าอย่าให้ถ้าไม่ได้ดังใจอยากก็ต้องยอมอ่าต้องยอมเอไม่ผิดอ่ะ อยาให้เราทุกข์ก็แล้วกันเช่นอยากจะสอนลูกก็สอนไปอยากให้ลูกได้ดีก็สอนให้ลูกทำไปแต่ถ้าก็ไม่ดีก็อย่าไปเสียใจอออยอมรับว่าเขาไม่ดีแล้วก็ อ, อหน้าที่โดยส่วนรวมหรือว่า หน้าที่ของลูกศิษย์หรือของคลเมึ่งหนงนี้ก็ก็ควรจะต้องมีหน้าที่ก็ต้องทํางินทุกคนมีหน้าที่ต้องทําการทําตามหน้าที่นี้ไม่เป็นบาปมันเป็นเป็นประโยชน์แล้วมันไม่เป็นบาปมันประโยชน์เป็นบุญและเป็นปัญญาด้วยเลยครับก็ต้องใช้ปัญญาถึงจะทําหน้าที่ได้ถูกต้องเนี่ยถ้าไม่ใช้ปัญญาก็อาจจะทําใช้หน้าที่ไปในทางที่ผิดได้เช่นตำรวจแทนที่จะไปจับขโมยก็ไปไปรีดไปถ่ายคนอื่นอย่างนี้ก็ทํา ตามหน้าที่ของเขาไม่ถูกไม่ถูกตามหน้าที่เพราะไม่มีปัญญาถ้าก็มีปัญญาเขาต้องรู้หน้าที่ของตำรวจทําอะไรบ้างาใช่ <c oughs> หน้าที่ของพ่อแม่ก็มีหน้าที่ต้องทําอะไรก็ต้องรู้ถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักหน้าที่ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปทําหน้าที่ผิดก็ได้แทนที่จะเลี้ยงลูกให้ดีกับเลี้ยงลูกให้เป็นโจรขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องใช้ปัญญาแล้วถ้าไม่ได้ดังใจยอยากก็จะทุกข์อีก ก็ต้องรู้ว่าต้องรู้จักต้องรู้จักหยุดถ้าอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ต้องหยุดก็อย่างที่พี่ผู้ชายเมื่อกี้นี้พี่พูดถึงว่าการรักษาหรือว่าโดยส่วนรวมของเราที่เห็นพระสมธรรมอะไรอย่างนี้ถ้าเราทําได้ก็ทําไปถ้าเรามีหน้าที่ก็ทําไปถ้ามีหน้าที่ทําไปมันก็ไม่มันก็ไร้บ่อยมันก็ใช่ไหมพูดไปก็ไม่ไมีใครเขาฟังเราเขาก็จะย้อนกลับมาเมืองเ่ะ <laughs> แต่มันไม่ดูตัวของตัวคุณก่อนนะใช่ไหมโอเคได้ระดับหนึ่งแล้วก็อกข อ, อ, อถ้าถาบอกพระรูปนั้นได้ก็บอกไปกราบท่านว่าขอขออนุญาตครับท่านกำลังทำไม่ถูกนะครับ เขบอกแล้วก็จบเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็ ก, ก, ก็ไปสั่งเขาไม่ได้ล่ะไปห้ามเขาไม่ได้ไปควบคุมบังครับเขาไม่ได้คุณยายที่อาจารย์บอกว่ถ้าสมมติไม่งั้นก็จะกลายเป็นการส่งเสริมให้ที่ว่าแอบแฝงหรืออะไรอย่างนี้ใช่เราทําในส่วนที่เราทําได้อย่างพระไม่ดีก็อย่าไปใส่บาตอย่างมีเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระสองอยู่กับพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นสอง ก, ก๊กทะเลาะกันกรเรื่องพระวินยัยข้อใด ข, อข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าผิดด้วยกันทั้งคู่นะ่ะ เลิกเถิดต่างฝ่ายก็ยังถือว่าตัวเองถูกอยู่ไม่ยอมฟังพระพุทธเจ้าพรพจาจะยาวเลยถอดใจเลยหนีไปอยู่กับช้างกับลิงไงไปอยู่คนเดียวนี่ชาวบ้านก็สงสัยทําไมพระพุทธเจ้าไม่อยู่กับพระแล้วไปอยู่องค์เดียวก็เลยสงสัยสืบมาสืบก็ได้พบว่าพระดือ้อไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าชาวบ้านก็เลยไม่ใส่บาตรพอไม่ใส่บาตรสักสามวันก็เดือดร้อนอะไร วิ่งไปขอกขอมาพระพุทธเจ้ากันนะ <c oughs> เอออย่างนั้นเรียนได้อย่างเนี้ยญาติโยมทําได้เ อ, อดัดพระไดออ้ดัดด้วยการไม่ใส่บาทด้วยการไม่สนับสนุนพอญอาติโยมไม่สนับสนุนพระเกเรเดี๋ยวก็หายเป็นหายเกเรกันหมดแนละ้ว เ, เดี๋ยวพระอาจารย์บอก่นี้มีเดลิเวอรี่ะไม่ต้องหนึ่งบาทอาหารก็ได้ค่ะบุญเดี๋ยวไปจัด ก, การได้ต่อก <c oughs> ็ต้องใช้ปัญญาเออีอยอาจารย์แล้วพระที่ ดินบาทนะฮะการเดินกับการยืน อ, อยู่ที่ที่หน้าตลาดนะฮะแต่ <c oughs> ส่วนใหเนี่ยทางผมจะเลือกที่ภาพที่จะเดินเก <c oughs> ิดมันก็ต้องเห็นใจ <c oughs> บา ง, งบ <c oughs> ทีเดินแล้วมันไม่มีคนใส่มันก็เดินไม่ไหวเพราะเดียวนี้สมัยนี้คนไม่ได้ใส่บาตตามบ้านกันส่วนใหญ่ไปไ ป, ไปใส่สาตามร้านกันเพราะเขาไม่ได้ทํากับข้าวก็ต้องไปอินกันอยู่แถวร้านที่เขามีคนมาใส่เพียงแต่ว่ายืนพอได้เงินอาหารพอแล้วควรจะไป ไม่ใช่ยืนแบบได้อาหารมาแล้วก็แลกเป็นเงินอย่างเงี้ยเป็นถ้าอย่างนี้มันมันเป็นการหาเงินไม่ได้เป็นการหาอาหารเพราะเราเคยไปบินบาตเคยไปพักอยู่กรุงเทพแล้ว เ, เคยไปเดินตามบ้านแต่ไม่มีคนอ่ะไม่มีคนใส่บาตรอ่ะบ้านคนเขาไปทํางานกันเวลาเขาจะใส่บาตรเขาไปใส่ที่ตลาดไปซื้อของที่เขาจัดไว้ที่ตลาดวันหลังแล้วเราเราเราเราเลยต้องไปเดินวนอยู่แถวตลาดเนี่ยแต่ไม่ยืนแต่ต้องเดินวน มารอบยังไม่พอก็มารอบสอ <laughs> <laughs> พอพอกินแล้วถึงค่อยกลับมันมันเป็นอย่างนั้นมันแล้วแต่เหตุการณ์แล้วมันอยู่ที่ว่ายืนหรือเดินเพื่ออะไรถ้ายืนหรือเดินเพื่อเงินทองก็ไม่ถูกทั้งนั้นนะส่วนเราจะเป็นขาประจำอย่างเงี้ยถ้ อ, อยู่ตรงที่ก็จะอยู่ประจาที่นะแล้วบางทีอย่างไหลถุงเลยนะฮะให้ไหลถุเลยยางงั้งไม่ควรเน่ยคือคนจะหาพอเลี้ยงปากได้พอเต็มบาทพอม พ อ, พอมีหารกินพออยู่ได้ก็ไปได้แล้วแต่บางทีท่านก็ไปมีแบกภาระอาจจะมีลูกมีหลานอยากจะส่งเรียนก็อะไรต้องหาเงินแบบนี้เพื่อส่งลูกหลานเรียนหนังสือเพราะมีเด็กต่ากต่า ง, งจังหวัดจะมาเรียนกรุงเทพก็มาขออาศัยอยู่กับหลวงลุ ง, งหลวงน้าหลวงลุ ง, งหลวงน้าท่านก็ไม่รู้จักวินัยไม่รู้จักวิธีของพระว่าอะไรถูกก็คิดไปว่าเมตตาสงสารก็เลยเลยทําผิดพระวินัยทําผิดทําเรียนไป แต่เจตนาก็ยังดีอยู่เจตนาก็คืออยากจะส่งเสริมลูกหลานให้ได้มีการศึกษาอะไรมันก็เลยพูดยากมันก็โน้นเยว่ายังไงถ่าน้ำขาไฟถ้าเดินทางมาเมตตาพวกนันออะไรก็คิดไปในทางที่ดีมากก็แล้วกันเราถ้ากรงเทพเนี่ยบางทีเห็นคาขาไฟต้องจาไปเดงหมดใช่เออจะไป่เหลนอเกี่ยวของหลวงตาแบบนใช่ที่วัดปานี่ทุกอย่างจะเป็นกองกลางหมด แต่ถ้าเดี๋ยวนี้วัดกรุงเทพก็แยกกันไปตัวใครตัวมันกุฏิใครกุฏิมันบิณทบาทอาหารใครอาหารมันไม่ไม่มารวมกันไม่มาฉันรวมกันใครบิณทบาทที่กรุงเทพก็ฉันบินทบาทเสร็จก็กลับไปที่กุฏิฉันกุฏิใครกุฏิมันเลยแค่จะทําให้เกิดจีเลยว่าขึ้นนะก็มันก็เป็นมันไม่ถูกก็นะ่ยเพราะสมัยเพราะพุทธกาลนี่พระจะฉันรวมกันบินทบาทพร้อมกันอาหารที่ได้มาจะมาแบ่งกัน อย่างสายผ้าป่านี่ยังทําอยู่แต่ถ้าสายผ้าบ้านนี้มันกายไปแล้วถูกกิเลสกินไปล้พูดง่ายๆเพราะความสะดวกของใครของมันมันสบายเพราะคนบางคนถ้าไม่คิดเนี่ยบางทีบอกบิณดาบัตถถ้าตายอาหารที่ได้มาต้องไปส่งให้อาจารย์ก่อนนี่ไหมเสียดายเพราะเราทำอัเนียมของพระนี่เราจะเคารพพระผู้ใหญ่อาหารที่ได้บิณดาบัตถมานี้พระผู้น้อยจะไม่เอาก่อนจะจะให้พระผู้ใหญ่เป็นผู้เลือกก่อน อาหารที่ได้จากบินตบ า, า, าร์จะมารวมกันที่ศาลาแล้วก็จัดแล้วก็จะส่งไปให้หัวหน้าแล้วหัวหน้าก็หยิบชิ้นสองชิ้นแล้วก็ส่งไปองค์ต่อไปพระองค์สุดท้ายอาจจะอาจจะไม่ได้อะไรก็จะรู้สึกว่าเสียน้อยใจเสียใจบิณตบารแล้วไม่ได้อะไรก็เลยจะอยากจะได้แบบของใครของมันไป <c oughs> เขาได้อะไรมาก็าจะได้เก็บของเขาไวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปในเมืองเพราะในเมืองเขาสภาพมัน ไม่มีการควบคุมดูแลแบบในวัดป่าเนี่ยวัดป่าก็ยังมีควบคุมกันมีการมีมีธรรมเนียมมีวิธีปฏิบัติก็ทีนี้ก็ต้องเลือกก็ล่ะสำหรับเราเยอยากจะทําบุญกับผ้าแบบไหนก็เลือกเอามีมผ้าแบบผ้าบ้านกับผ้าวัดป่าบางทีบางทีพออยู่ประเทศเนี่ยจะไปทำวัดป่าเนี่ยต้องไปชันเมืองใช่ ก็อย่างที pathways, ่บอกนะถ้าวันไหนอยากจะใส่บาตรก็เอาเงินใส่กระปุกไว้ก่อนก็นะใส่ก็ปลุกไว้พอวันเสาร์วอาทิตย์วันไหนวันหยุดที่เราจะไปทําบุญกับพระสายวัดป่าได้เราก็ไปเราก็เอาเงินที่เราเก็บไว้ในกระปุกนี้ไปซื้ออาหารไปใส่บาตรกนก็บางทีคนในบ้านจะบอกว่าโอ้ยน่าเหมือนกันรูกไหนเราก็บอกเอาแล้วก็เป็นความอยากที่เราอยากจะเจอภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชน้าใช่ไหมคะ มันก็เหมือนกันก็คือเป็นพระเหมือนกันคนก็เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันแต่คนก็ต่างกันใช่ไหมคนจบปริญญาเอกชมคนจบปริญญาตีคนจบปริญญาโทนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วใช่ไหมคนจบปริญญาโทมก็มีความรู้มากกว่าคนจบปริญญาตีเงี้ยพระก็เหมือนกันพระมีความรู้มากน้อยต่างกันเพราะศึกษาปฏิบัติมากน้อยต่างกันอาจารย์ค่ะ อย่างสมมติว่าเราไปใส่บาตรแล้วก็พระองค์นั้นก็เอาเอาข้าที่เราใส่บาตรเอาไปให้คนคนอื่นนี่ยค่ะอ๋อเป็นของพระแล้วเขาจะไปให้ใครก็ได้ทั้งนั้นอ๋อคือแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นวัดป่านี้พระจะไม่ให้ใครของพระอาหารที่ได้มิณบาสนี้จะต้องเอาไปที่สาลาก่อนเอาไปถวายกับพระถวายกับครูบาอาจารย์พระรูปต่างๆเอาไปแบ่งกันก่อน แต่ถ้าวัดเมือพระในวัดพระบ้านเนี่ยพระพระบ้านเขาจะเป็นของใครของมันเห็นแต่ว่าพอรับจากที่เราใส่อท่านก็คือเห็นเลยว่าให้ต่อหน้าเลยให้ต่อหน้าลแล้วคราวนี้ชาวบ้านแถวนั้นพวกไม่ทางอะไรเขาก็มาพิจารณาคือมันไม่เผิดอะเพียงแต่ว่ามันไม่สมควรเพราะว่าทำให้ทําลายน้ําใจของคนที่ให้ใเพราะว่าถ้าอยากจะให้คนจะให้มันรับหลังรับตาของคนที่ให้เขาดีกว่า การให้นี่ไม่ไม่ผิดหรอกเพราะเป็นการทําบุญต่อเขาเมื่อพักเขามีเหลือเขากินได้หมดเขาก็ต้องให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการให้เวลาให้มันอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะควรจะรอฉันเสร็จหรืออะไรเสร็จแล้วที่เหลือแล้วคกยไปให้อย่างี้ก็ได้เราก็มีทางด่วนใหเราทำไหว้ค่ะอ่ใช่ท่านนั้นเองยังไม่เสสังเลยนะอ่ยังไม่ได้เสสังเลแต่โยมก็ผิดเองอะโยมให้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปยึดไปติดกับของที่ให้ก <c oughs> อดีเลยรู้ไหมคะ เก็พาได้ส่วนใหญ่พระไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเนี่ยก็ เ, เรียกว่าพวกนี้เป็นพวกเป็ดอุปชาเป็ดมาจากอุปชาเป็ดเวลาบวชนี่เป็ดนี่มันจะไม่มันไม่จะมัน ไ, ไ, ไม่ฟักไข่ของมันเองไม่เหมือนกับไก่นี่มันจะฟักไข่แล้วมันจะเลี้ยงคือสมัยนี้บวชกันแล้วบางทีคนที่บวชให้ไม่ไม่มีเวลามาสั่งสอนมาอบรม วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่ถูกต้องเพื่อปอดให้สอนกันไปตามให้พี่เลี้ยงใครสอนกันไปถ้าพี่เลี้ยงไม่รู้สอนผิดก็สอนกันไปตามผิดผิดถูกถูกไปอาจารย์ครับผมอยากจะถามวิธีปฏิบัติสมาธิเกิดปัญญาอ๋อสมาธิไม่เกิดปัญญาล่ะสมาธิก็สมาธิปัญญาก็ปัญญาคนละวิชากัน วิชาสมาธิก็คือทำให้ใจนิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้ไม่มีรักชังกลัวหลงชั่วข่าวส่วนวิชาปัญญาก็คือต้องมาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราเราก็คุมบังคับมันสั่งมันไม่ได้คนละวิชากันแต่ต้องทำทำทำหลังจากมีสมาธิก่อน ถ้าใจไม่มีสมาธิมันจะไม่สงบมันจะไม่สามารถที่จะคิดไปทางปัญญาได้เพราะกิเลสมันจะดึงไปคิดทางทางกิเลส <c oughs> กิเลสมันจะบอกอ้นั่นก็ดีอ้นี่ก็ดีเงินก็ดีทองก็ดีตำแหน่งก็ดีขนมก็ดีแต่ถ้าใจสงบแล้วมันจะไม่มีกิเลสมามามเดึงไปให้คิดแบบนั้นเราก็สามารถมาเดึงให้คิดว่าไม่ดีนะไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องเสียไป ถึงแล้ปัญญาเราไม่ได้ทําพร้อมกันเวลานั่งสมาธิก็นั่งให้นิ่งเวลานิ่งก็ให้มันนิ่งนานๆไม่ต้องไปทําอะไรเพราะยิ่งยิ่งนานเท่าไหร่จะมีกําลังสู้กับกิเลสสู้กับความอยากถ้าไม่มีสมาธินี่เวลาเกิดความอยากสู้มันไม่ไหวใช่ไหมแต่ถ้ามีสมาธิเวลาเกิดความอยากใจยังเฉยได้ใจยังเย็นได้ถ้าไม่เย็นก็ทําให้มันเฉยให้มันเย็นได้มันก็พอสู้กับกิเลสได้แล้วพอปัญญาบอกว่า สิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์มันก็เลยเลิกได้เหมือนมนคนละวิชากันต้องทําคนละวาระกันต้องผัดกันตอนน้นต้องทําสมาธิให้ชํานาญก่อนพอชํานาญทางสมาธิมีกําลังสู้กิเลสแล้วก็มาสอนปัญญาสอนใจให้รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสุขกันแน่สิ่งที่ทุกข์ก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันจะต้องทําให้เราทุกข์สิ่งที่สุข ก, ก็คือความสงบนี่เราควบคุมบังคับได้ เราถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็มาหาความสงบเราอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญที่เราควบคุมบังคับไม่ได้อันนี้คือปัญญาค่ะคคือลูก ม, มีปัญหาตรงที่ว่าเห็นตัวเองโกรธอิจฉาริษยาแล้วก็รู้สึกเสียใจค่ะบาปมากเค่ะก็เสียใจมันถ้ายังไม่ได้ไปพูดไปทําอะไรไม่บาปเพียงแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ทางใจที่เราต้องที่มันก็จะทําให้เราอาจจะไปทําบาปต่อไปได้ ถ้าเราเสียใจมากๆโกรธมากๆนีๆแ่แหละเราเห็นพอเราเห็นตัวเองอิจฉาเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าทําไมเราต้องโกรธคุณแบบนี้คะก็ ไ, หหไม่เป็นไรก็ยอมรับ ว, ว่ามันเป็นนิสัยที่ติดมากับเราเราแก้ได้ไดความอิจฉานีา่แก้ได้ แ, แ, กไแก้โดยมุติตาคือใครเขาได้ดีได้ดีก็ให้ยินดีไปกับเขาก็ <S <S ให้เขาคิดว่าเขาทําดีเขาก็ต้องได้ดีเป็นเขาทําเขาคงจะทําอะไรมาดีแล้วอาจจะไม่เห็นว่าเขาทาอะไรก็ได้แต่เราก็อย่าไปอิจฉาเขา บางครั้งก็ยินดีแต่เหมือนคับใจไม่ค่อยยินดีก็หัดทําไปเรื่อยๆแล้วก็มองกลับมุมกลับว่าถ้าเกิดเราได้ดีแล้วถ้าเขายินดีกับเราเร า, เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาอิจฉากับเราแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรหัดคิดอย่างนี้หัดคิดในมุมกลับว่าการอิจฉาริษยาต่อกันและกันไม่ดีเพราะมันจะทําให้เกิดการเกลียดกันขึ้นมาได้แล้วอาจจะกลายเป็นศัตรูกันขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีมุติตาต่อกันเราก็จะไม่เป็นศัตรูกัน เราก็จะเป็นมิตรกันเป็นเหมือนเพื่อนเห็นเพื่อนก็ได้ได้ดีบได้ดีแล้วก็ดีใจไปกับเขาใช่ไหม mm hmm. ไม่คิดอย่างนี้ mm hmm. นะพยายามหัดเจริญมุติตาจิตอยู่เรื่อยๆ mm hmm. คือว่าใครเขาได้ดีบได้ดีก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องบุญเรื่องของอะไรที่เขาเคยทำมาที่เรามองไม่เห็น mm hmm. เราอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนี้อาจจะไม่ได้เป็นเหตุที่ทาให้เขาได้ดีบได้ดีแต่ก็อาจจะมีบุญเก่าที่เราไม่รู้ก็ได้มันชอบแว๊บมา ก็ไม่เป็นไรก็สู้กับมันไปเรื่อยๆอหรือว่าถ้ามุติตามไม่ออกก็ใช้สติหยุดมันก่อนก็ได้พอมันจะอิจฉาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้เราไปคิดถึงเรื่องที่เราอิจฉาเดี๋ยวมันก็หายไปอิจฉาปุ๊บหนูก็จะยินดีกับเขาอพอโลภคือจะโลภมากนะคะหนู ก, ก็จะหยู่แต่หนูรู้สึกทรมานว่าทําไมตัวเองต้องเป็นคนนะคะ ก็เพราะว่าเรานิสัยมันถูกทํามาอย่างนี้เหมือนคนเราเคยถนัดมือขวาเราก็จะใช้มือขวามาอยู่เรื่อยๆแต่เรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็หันมาใช้มือซ้ายแทนเอาไปนนี้เราก็ต้องรู้ว่าถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยตอนเปลี่ยนนิสัยมันก็ต้องสู้กันหน่อยทุกครั้งที่จะอิจฉาก็เปลี่ยนเป็นมุติตาไปทุกครั้งมันต่อไปมันก็จะมุติตาเองเพราะเราต้องสอนว่าการมีมุติตาจิตต่อการมันดี ทำให้ทุกคนมีความสุขเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขแล้กวก็เป็นเพื่อนกันได้ถ้าอิจฉากันเขาก็ทุกเราก็ทุกแล้วกลายเป็นศัตรูกันเราจะเอาอย่างไรเราต้องมีเหตุผลในการกระทำใ ช, ญญใช้ปัญญาด้วยว่าทำอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะเราจะได้บังคับตัวเราให้มุติตาไปเรื่อยๆเพราะเราก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงความดีความชั่วของเขาอยู่แล้ว เขาได้ดีดได้ดีเราจะไปอยู่เฉาเขาก็ยังได้ดีอยู่เหมือนเดิมปัญหาความคิดตัวเองใช่นั่นเองเรามาแก้ความคิดของเราพระอาจารการที่จะเกิดปัญญาเนี่ยต้อ ง, ต, องต้องเข้าหาคนมีปัญญาต้องทำฌานห่งฌานสอฌานไม่ฌ <3 S 1> านนี้เป็นสมาธิท <3 S 1> าําใจให้นิ่งทำให้ใจมีกําลังท่านเองแต่ปัญญานี้ต้องหาคนที่มีปัญญาเราถึงต้องไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีปัญญาพอเราต้องส่งลูกไปแล้วไม่มีเวลามาสอนลูก เราต้อส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนที่มีคนสอนมีเวลาสอนหรือคนที่มีความรู้มากกว่าเราลูกถึงจะได้ปัญญาแต่ปัญญาทางโลกนี้สู้ปัญญาทางธรรมไม่ได้ถ้าอยากจะได้ปัญญาที่ทําให้เราไม่ทุกข์กับอะไรนี้ต้องเป็นปัญญาทางทางธรรมต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นครับอาจารย์ครับอย่างกรนีที่ผมทาบุญใส่ซองครับแล้วใส่ ใส่ชื่อภรรยาไปด้วยด้วยเงินที่เราหาว่าด้วยกันเองภรรยาจะได้บุญด้วยไหมครับก็เขาต้องยินยอมและเขารับรู้ด้วยเช่บนบอกว่าทํทททาทําทําความเข้าใจกันไว้ก่อนว่าเงินท่งนี้เป็นของเราทัง้งคู่คุณเอาไปใช้หรือเราไปใช้นี่ถือว่าเป็นการใช้ร่วมกันถ้าอย่างนี้ถ้าเข้าใจแล้วพอเราก่อนถ้าเราเป็นไปได้ก่อนจะไปทําบุญก็บอกเ้าก่อนจะดี แ้วเขาบอกพี่ทําเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะได้บุญอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราทําโดยที่บางทีเขายังไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วเราไปเหมือนกับไปบังเขาให้เขารับรู้ทีหลังเขาอาจจะไม่ยินดีแต่ก็ต้องยินดีมันก็จะไม่ได้บุญเหมือนกับตอนที่เขาก่อนที่จะทําแล้วเขายินดีทำแต่อย่างน้อยเขาก็ได้บุญไหครับก็ต้องยินดียินดีถ้าถึงแม้เป็นเงินของเขาถ้าเขาไม่ยินดีก็เหมือนเงินถูกขโมยไปยันควรที่จะบอกเขาก่อนดีกว่าเวลาจะทําบุญ เลยทำความเข้าใจก่อนนะทุกครั้งที่พี่ทำบุญนี้ขอให้น้องยินดีด้วยนะได้ไหมถ้ายินดีได้ก็ทีนี้ก็ไม่ต้องบอกก็ได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็โทรถามก่อนก็ได้แล้วก็ไม่ยินดีจะได้ไม่ทำจะทำส่วนของเราไปเช่นจะทำทาเต็มร้อยก็ลดเหลือครึ่งหนึ่งทำอย่าง <c oughs> พี่ทาส่วนของพี่กันส่วนน้อง <c oughs> น้องก็เก็บเอาไว้ ความจริงเวลามันหมดแล้วนะแต่วันนี้รู้สึกคนสนใจมากอาจจะต่ อ, อยนิดหน่อยก็ได้ค่ะสาธุจ ะ, อะ <laughs> สอนทำเรื่องทำสมาธิอะค่ ะ, ะคือลูกเอ่อนั่งสมาธิมาสามวันนะคะสามวันแล้วะคะ่ะ2วันแรกเนี่ยจะมีอาการอ่าอิ่ม อ, อ่าปื้มจิตนะคะมีประมาณนั้นคะ่ะหมายถึว่าทำสมาธิเสร็จแต่วันนี้ค่ะลูกลูกทำสมาธิที่วัดลูกไปทำบุญตอนเช้าอ่า คือเวลานั่งนั่งนั่งช่วงแรกๆอะคะ่ะคือลูกจะรู้สึกว่าลูกยันได้ยินเสียงท่านพระพิเภกอยู่นะคะแต่นั่งไปสักพักลูกจะไม่ได้แต่ว่าจะเป็นใจเต้นแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองกลัวนะคะมีอาการกลัวแต่วแล้วก็ใจเต้นตลอดนะคะแล้วก็จะมีเ อ, อมีขาชาแต่ว่าเ อ, อ จะเป็นเอแขนนะคะจะหนักที่แขนแขนชาแล้วอสักพักหนึ่งคือลูกจะจําเอพอจะจําได้ว่าจะเป็นอย่างนี้นะค่ะลักษณะจะเป็นอาการแช่นนี้แล้วทีนี้พ อ, อจบอะค่ะพอจบนี่ก็คือท่าให้พอนะคะพราะฉะนั้นก็คือมาเลยคือลูกจะรู้สึกว่าตัวลูกนี่คือขยับไม่ได้แล้วก็แขนจะหนักมากะค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกทรมานแล้วก็บวกับอาการกลัวมีอาการกลัวไปด้วยแล้วก็รื้มปิติ แล้วแล้วเน้ําตาไหลอะค่ะแล้วก็พี่สาวอยู่ข้างๆบอกว่าเห็นลูกเนี่ยคือมื อ, อมค่ะเป็นลักษณะอาการแปลกๆ ค, คือหนูนั่งแบบไม่มีสติควบคุมใจต้ อ, องมีพุโทโธหรือมีอะไรมันถึงจะไม่เป็นอาการเหล่านี้อาจารย์เขาคือสองครั้งแรกที่ที่นั่งสมาธิอะค่ะมันจะไม่มันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้คื อ, อ, อวันที่สองอะค่ะจะมีอาการกลัวแต่ว่าถ้าลูกมีความรู้สึกว่าลูกสงบได้อะค่ะรูกสงบได้ จากอาการกลัวนั้นแต่ว่าพอจบสมาธิเนี่ยคือมีความสุขรู้สึกว่ายินดีปรีดาค่ะแต่ว่าวันนี้คือเป็นอะไรที่เหมือนความกลัวเยอะมากเลยก็เพราะว่าเราไม่มีสติควบคุมใจนะต้องต้องกลับมาหาพุทโธพุทโธถ้าเกิดอาการเหล่านี้ทำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วดูลมหายใจไปคือจะรู้สึกว่ากังวลนะวันนี้มีความรู้สึกกังวลเองว่าเรานั่งแบบไม่เรานั่งแบบไม่ใช้สติไง นั่งมันเนี่ยคนที่นั่งแล้วไม่มีสติมันอาจจะทําให้เสียสติได้เพราะเกิดอาการต่างๆที่ตัวเองไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้นะ้นต้องพยายามกลับมาหาสติให้ได้เวลานั่งแล้วเกิดมีอาการอะไรก็พุโทโธพุโทโธกลับ ด, ดึงใจกลับมาให้ได้ไม่ควรจะปล่อยถ้านั่งนี้ควรอย่าไม่ควรจะไม่มีขาดสติไม่ได้เลยเวลานั่งต้องพุโทโธถ้านั่งฟังเทศก็ฟังเอาเสียงเทศอย่างเดียวอย่าไปสนใจอย่างอื่น ต้องมีอะไรคอยกํากับใจควบคุมใจไม่เช่นั้นแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้สึกวุ่นวายใจขึ้นมาคือนะคือถ้าวันไม่ได้ถามว่าอาจารย์จะมีความรู้สึกว่าจะไม่กล้านั่งตง อ, อ<ค>นนี้นั่ง <ๆ S 1> ได้เพียงแต่ว่าต้องมีสติต้องมีพุโทโธแล้วมีลมหายใจก็ออกเลิฟสวดมนต์ไปถ้ามีอะไรกํากับใจแล้วใจมันก็จะไม่แสดงอาการต่างๆแตถ้าเราไม่มีนั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็ ปรุงแต่งขึ้นมาหลอกเราหรือว่าเกิดปิติบัางเกิดสุขบ้างเกิดความกลัวบ้างเกิดความดีใจเกิดความเสียใจขึ้นมาอาจารย์คะคือเวลาที่ฟ้าให้พรนะคะคือเหมือนกับว่าตัวสันสันใจอย่างนั้นนั่นทำให้มีสติแล้วไม่มีสติแล้วอาจจะเป็นนิศสัยเดิมของเราพอได้รับพรมันจะเป็นอาการอย่างนี้ขึ้นมานั่นเป็นการฝึกถ้าเรามีสติแล้วใจจะไม่สันร่างกายจะไม่สั่น พอมันเริ่มสั่นก็เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มพูดโธได้แล้วแสดงเราไม่ได้พูดโธแล้วนะต้องคอยควบคุมด้วยสติแล้วทุกอย่างจะสงบแล้วไม่มีสติแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดอาการแปลกๆ<ม>ดีบ้างไม่ดีบ้างขึ้นมาได้เราก็ไม่ต้องไปกลัวมันเป็นเรื่องของการไม่มีสติควบคุมใจเท่านั้นเองไม่ได้เป็นเรื่องอุอบาทหรือเรื่องอะไรเสียหายไร่เลยนะ พอมีสติแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกติกลับมาสู่ความสงบ อ, อ, อ, อาจาย์เริ่มนั่งสมาธิเนี่ยเริ่มนั่งใหม่นะต้องพุทโธทำโมสังโฆหรับก็แล้วแต่เราถ้านั่งปุ๊บมันสงบปั๊บ ก, ก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้แต่ถ้ามันไม่สงบมันยังคิดอยู่ก็ต้องใช้พุทโธทำโมสังโฆไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบแล้วอาจารย์จังห เดี๋นี้ไอ้โลกโซเชียลกับไอ้นี่มันเยอะมากอ่ะมันดึงใจเราไปบ้างเลยขอคำก็อย่าไปยุ่งกับมันด้วออย่าไปยุ่งกับมันเนี่ยเราไปหามันก็จะแบบอาจจะหลุดไปได้เอออเราก็ไม่ต้องมีสติมีปัญญาไงใชใ้มันอยู่ในใช้ให้มันเกิดประโยชน์ถ้ามันทําให้เราวุ่นวายใจเราก็ต้องหยุดมันพักบ้าง เนี่ยเรามันเหมือนพวกติดยาเสพติดกันพอติดอะไรแล้วขาดไม่ได้เหมือนจะขาดใจตา ย, อยาเอาแล้วนะต้องหยุดละหมดเวลา <laughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ